ก็ขอเจริญพรขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายได้หยุดไปวันหรือสองวันเนเดี๋ยวกลับมาฟังพหทธรรมกันต่อนะวันนี้ก็เลยอยากจะกล่าวที่จริงที่พูดในเรื่องของสมาธิเข้าไว้ก็เลยย้อนกลับมาอยากจะให้เราได้เห็น คืออยากยกคำสอนของพระเจ้าคือไปไปดูในคุณสมบัติของพระโสดาบันในพระตรีพิดกมีอยู่หลายที่หลายแห่งแล้วก็เคยกล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งทีนี้มันเชื่อมโยงกับการปฏิบัติน่าจะเป็นกําลังใจแก่บุคคลที่ปรารถนาะอยากจะบรรลุเป็นพระโสดาบัน เพราะมันเรื่องของการประพฤติธปฏิบัติเรื่องการขัดเกลวนี่แหละก็เลยอยากจะนําพระสูตรซึ่งมีมามากมายในพระสูตรที่พูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติของพระโสดาบันทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยก็ไปเจอในพระสูตรมากมายเลยนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ก็คือ <c oughs> ความเป็นพระโสะดา บ, บันภูมิธรรมและการดาเนินชีวิตระดับนี้เป็นสิ่งที่ควรจะสนใจและการเน้นกันให้มากแล้วก็พระพุทธเจ้จาก็ทรงแนะนำบอกว่าพิสษุทั้งหลายเราชนทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือเป็นสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองคุณของโสดาบัน4ีประการภาวะและชีวิตของพระโสดาบันไม่ห่างไกลและไม่น่ากลัวเลยสำหรับปุถุชนทั้งหลายแม้ในปัจจุบันกลับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนทั่วไปโดยซ้ำไปก็เลยเป็นเครื่องอยากจะย้ำเตือนให้เราท่านทั้งหลายว่า พุทธสาวกที่เป็นพระโสดาบันนับจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนในสมัยขั้งพุทธกาลเป็นคฤหอขัดมากดําเนินชีวิตที่ดีงามชอบด้วยศีลธรรมอยู่ท่ามกลางสังคมของชาวโลกมีชีวิตครอบครัวที่ผาสุขบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนาแก่บ้านเมืองมีชีวิตวัดประวัติมีชีวประวัติที่น่านับถือเป็นแบบอย่างท่านเหล่านั้นน่ะได้บรรลุภูมิธรรม แล้วแต่ยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู่นะแต่กิเลสอย่างหยาบๆเนี่ยทันละได้หมดแล้วพอประสบกับการพราดภาคยังโศกเศร้าน่งร่ำไห้ได้อยู่ยังมีรักโกรธดังสาหมันชนแต่ละเมียดละเบาก็คือเบากว่าและไม่ทำความชั่วความผิดที่เสียหายร้ายแรงและความทุกข์ที่เหลืออยู่เนี่ย ก็มีเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับความทุกข์อันใหญ่หลวงที่มีในพื้นฐานของสภาพชีวิตจิตใจของบุตรชนแล้วเนี่ยในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยอายกตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นมคตที่ทรงถวายเวรุวันการันตการนิลาว่าป่าสถานแดดพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นวัดแห่งแรกเนี่ยและก็รักษาโบสดเนี่ยเดือนละสครั้งเนี่ยอันนั้นก็เป็นพระสสดาบัติ อ น, นาถาปินิกาเศรษฐีเนี่ยอันนี้ก็สร้างวัดเหมือนกันวัดเชตวันที่มีชื่อเสียงถวายเดชสง์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเหมือนกันอันนี้ก็คือว่าเป็นผู้ที่บำรงพระสงฆ์ด้วยอนุเคราะห์คนยากไร้เป็นต้นด้วย น, นี่ก็เป็นพระสวสดาบัลที่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากนางวิสาขาหมาบัสิกานี่เป็นเอตะทัะา่าไฟทายิกาผู้มีบุตรธิดามากถึง20คน แต่สามารถบําเพ็ญประโยชน์นั่งในส่วนรวมได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็คือช่วยกิจการของพระ ศ, ศาสนามีกล่าวไว้มากมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นได้ชัดเป็นหมอนั่นก็คือหมอชียวกมลพัทนนี่เป็นแพทย์ประจําองค์ของราชาแกรนมาโค ด, ด้วยประจําองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยและนับไม่ถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นนางมัลลิกาซึ่งเป็นภรรยาของพันดุลาเสนามดีนางคูชุดระลา หรือนางอุตรานันทามาตานางสามเาวดีโอ้ยมากมายมากเลยนะสรุปก็คือต้องการชี้เห็นว่าพระโสดาบันมีมากมากจริงจงทีนี้ในสภาพสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือบรรพชิตหรือเครื่องหัตถ์เราไม่ค่อยจะรณรงค์ว่าทำอย่างไรเนอเราถึงจะบรรลุความเป็นอริยบุคคลชั้นแรกในพระศาสนาให้ได้ และการบรรลุถึงหรือการรู้ถึงมันดีอย่างไรเราจะกข้าวจากเข้าถึงความเป็นสังคม อ, อารยชนหรืออารยชนหรืออารยชนเนี่ยเป็นชนที่จเจริญสูงสุดได้อย่างไรเนี่ยฉะนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกมากมายเลยเนะทีนี้คุณสมบัติของภาษาบทของพระโสดาบันที่รู้กันทั่วไปก็คือว่าการละสังโยชน หรือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพตปรามาตซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติฝ่ายลบในฝ่ายที่มันไม่ดีทั้งหลายฝ่ายอกุศลให้หมดไปเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุณสมบัติของฝ่ายมีเนี่ยฝ่ายที่จะเพิ่มพูนขึ้นปรากฏเน้นในคุณสมบัติของพระโสดาบันหรือบุคคลที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองที่จะเป็นพระโสดาบันมีกล่าวไว้มากมายว่าจะเป็นศรัทธา ศีลสุตตาก า, าและปัญญาทีนี้ถ้าเรารวบรวมดูเนี่ยเอาคุณสมบัติฝ่ายที่เกิดขึ้นมีขึ้นในความเป็นพระโสดาบันเอาด้านศรัทธาอันนี้จะพูดย่อๆแล้วจะขยายทีหลังเอาเอาหลักมาว่าก่อนเอาคุณสมบัติมาว่าก่อนพอกระตุ้นเตือนให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเชื่อมัน่นแล้วอยากจะฝึกฝนพัฒนาตนเองจากปุถุชนก็สู่ความเป็นอริยะให้ได้ด้านศรัทธา ให้สังเกตดูว่าความเชื่อยังมีเหตุผลเชื่อมั่นในความดีงามในความจริงในกฎธรรมดาร์เหตุผลมั่นใจในปัญญาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามนุษย์ที่จะดับทุกข์และแก้ไขปัญหาได้ตามเหตุและผลเชื่อในสังคมที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งจะเจริญงอกงามได้ตามค้นทางแนวทางนั้นแล้วก็ความเชื่อมั่นแสดงออกมาในความเรื่อมใสยอย่างลากลึกสู่ปัญญาที่แข็งแรงและมั่นคงในพระรตนาตรายัย อย่างรากลงในพุทธธรรมะและสังฆะเป็นศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงไม่มีทางผันแปร ى. เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากญาณะที่ผสมกับความเชื่อมัน่นมีความรู้มีความเข้าใจอย่างดีอย่างลึกซึ้งใช่หไหมศรัทธาที่เชื่อมโยงหรือยึดโยงกับปัญญานี่ในด้านของศรัทธาเดี๋ยวจะไปขยายอีกทีในด้านที่2ก็คือด้านศีล ด้านศีลก็คือมีความประพฤติพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพสุจริตเป็นที่พอใจของอริยชนที่เป็เปนศีลที่เป็นไทยเป็นอิสระไม่เป็นทาทของตันหาประพฤติตรงตามหลักการความหมายที่แท้เพื่อความดีงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความขัดเกลากเลสความสงบใจเป็นไปเพื่อสมาธิโดยทั่วไปก็เริ่มตั้งแต่ศีลห้า แต่เขามีเขามีความเข้าใจเป็นอย่างดีเลยศีลที่เป็นไทยเนี่ยตรงนี้ขยายนิดนึงคําว่าไทยเนี่ยในที่นี้ก็คือไม่เป็นธาตุของตัญหาคือไม่ได้ประพฤติเพื่อหวังผลตอบแทนเช่นโลคียขการเกิดในสวรรค์การเกิดเป็นมนุษย์การได้โภคสมบัติการได้เกียรติยศชื่อเสียงการมีหน้าตาดีการมีทรัพย์สมบัติไม่ได้รักษาสินเพื่อหวังเสียงสรรเสริญเยินยอเลย คือศีลที่เป็นไทยถ้าศีลที่ไม่ศีลที่ไม่เป็นไทยศีลที่เป็นธาตุของตัณหาก็แปลว่าการรักษาศีลเนี่ยหวังมีต้องการผลตอบแทนชื่อเสียงเกียรติยศลาบสกาละเสียงสรรเสริญเยนยอต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรก็ว่าไปอันนั้นคือหวังหวังการได้กระแสชีวิตที่ดีงามที่เลิศซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นความผิดของของคนต้องการนะแต่ถ้าศีลที่เป็น ไทยศีลที่เป็นอริยกันดศีนี่ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือว่าในด้านของการที่ เ, เรียกอริยกันดศีก็แปลว่าศีลที่พระอริยะไข่ชื่นชมและรักไข่แปลว่าเป็นที่ยอมรับของอริยชนและเป็นอป布拉มัทธศีลก็แปลว่าศีลที่ไม่ถูกจับฉวยคําว่าศีลที่ไม่ถูกจับฉวยเนี่ย แปลสืบสื่อเป็นมาเขาแปลยังไงก็แปลว่าศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิจับฉวยอ่ะอย่างนี้ยังไม่ชัดอีกต้องแปลเนี่ยก็ต้องบอกว่าศีลที่ไม่เปิดเปื้อนราคีคือด้วยราคะด้วยทิฏฐิราคะความกำหนัดทิฏฐิคือความมิจฉิตรถ้ามีการรักษาศีลที่มีเป็นไปกับตัณหาเป็นไปกับทิฏฐิก็บวกมานาเข้าไปอีกด้วย ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนด้วยถ้าพูดถึงทิฏฐิพูดถึงตัณหาถ้าตัณหาอยู่หน้าที่ใดเดี๋ยวมานะก็มาแล้วก็ทิฏฐิก็มาด้วยความเห็นผิดก็มาด้วยแปล ว, ว่าเป็นการรักษาศีลที่ต้องการเป็น ก, การรักษาศีลที่เห็นผิดสําคัญว่ามีอัตราตัวตนเป็นผู้รักษาศีลอัตราตัวตนเป็นผู้รับผลของศีลมีอัตราตัวตนเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่แล้วก็ฝังแน่นอยู่ในกระแสของความคิด การรักษาศีลในลักษณะที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเป็นไปกับโมหะนี่แหละเบื้องหลังของการรักษาศีลเว่นนี้ก็มีโมหะคือความมืดบอดความไม่ชานฉลาดในตัวสภาวธรรมที่เป็นศีลไม่ชานฉลาดในกระแสชีวิตอย่างแท้จริงว่าประกอบไปได้วยรูปธรรมและานามธรรมาเนี่ยการรักษาศีลในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นศีลรพปตาปรามาสเป็นศีลที่ไม่เป็นอริยกันตศีลไม่เป็นอัปปรามัทศีล เป็นปรามาถศีลก็คือเป็นศีลที่ถูกทิฏฐิและตัณหาเนี่ยนะรูปคําจับฉวยก็คือเปิดเพื่อนด้วยราคะเปิดเพื่อนด้วยตัณหาเปิดเพื่อนด้วยทิฏฐิเปิดเพื่อนด้ว ย, ย, ยกิเลสสรุปก็คือว่ากิเลสนั่นแหละอยากจะได้ผลประโยชน์ความต้องการและความมินผิดนั่นแหละต้องการอยากจะได้ผลประโยชน์ก็เลยมารากักษาศีลทีนี้การรักษาศีลทั้งๆ ท, ง ท, งที่ไม่อยาก จะมีศีลไม่อยากจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเลยหรอกแต่เห็นผลประโยชน์แล้วมันน่าชื่นใจเช่นถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยมันจะได้รับการยกย่องเป็นคนดีแล้วจะได้เกียรติยศชื่อเสียงก็เลยฝืนใจทำจําใจทําแข็งใจทําแต่จริงๆไม่อยากทําเพราะไม่ได้เห็นความเรียบร้อยดีงามประเสริฐเลิศจริงๆเพราะมีตัณหาจับฉวยมีทิฏฐิรูปคำ มีการยกตนชูตนเปรียบเทียบตนนั่นแหละเขาอิงแอบอิงอาศัยก็เลยอยากจะมาพึ่งปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงนี้ก็มาเข้ากัะหลักบางทีแล้วก็ใช้กฎเกณฑ์ตรงนี้เป็นการให้กับลูกหลานบอกหนูหนูเป็นคนดีหนูขยันนะเดี๋ยวแม่จะซื้ออะไรให้มันก็เลยเอาผลตอบแทนมันก็เลยไม่เข้าใจตัวความดีงามที่แท้จริงไอ้ตรงนี้ก็เป็นผลเหมือนกันคือ ไม่เปิดเปื้อนด้วยด้วยราคีและตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่บริสุทธิ์นะทีนี้ศีลที่ไม่ถูกความถือมั่นศีลที่ไม่ต้องยึดมั่นเนี่ยเป็นศีลที่เกิดจากคุณธรรมภายในมิมีกิเลสเป็นเครื่องให้ละเมิดไปเป็นไปเองแปลตามปกติธรรมดาทั้งหลายโดยนี้เป็นต้ น, น, นเนี่ยศีลในลักษณะอย่างนี้แหละแต่จะไม่เคาะแตจะไปเจาะในรายละเอียด อันนี้พูดให้รู้ว่าเนี่ยลักษณะศีลที่ถูกต้องดีงามเป็นไปลักษณะนี้ข้อต่อมาคือสุด ต, ตะเป็นสุดตะวาอาริยสาวกข้อนี้พูดยที่บอกว่าอาริยสาวกคือสาวกผู้มีสุดตะคือได้เรียนรู้อริยธรรมด้วยจากอาริยชนนับว่าเป็นผู้มีการศึกษาก็คือได้ยินเสี ย, ยงยกูเรียกของพระพุทธเจ้าจริงด้านจาคะ ยาค้าก็คืออยู่คลองเรือนด้วยใจที่ปราศจากความตนหนีมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละยินดีในการให้ยินดีในการเฉลี่ยเจียจานแบ่งปันตรงเนี้ยปีจิตใจที่ไม่มีมัชชริยะคอยกุ้มรุมเลยยึดของไว้ก็เลยเป็นจิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอิสระจริงจิง ย, ย, ยาค้าจิตมันเปิดอย่างนี้นะมันรู้สึกจิตมันโปร่งโล่งเบาจริงๆแล้วก็ด้านปัญญาก็คือมีปัญญาอย่างเสกขา รู้ชัดในอริยสัจส์4ในทุกสมุทัยนิโรธมากมองเห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยทั้งอนุโลมและปฏิโลมทั้งสายเกิดและสายดับเข้าใจในไตรลักษณ์เคือ่อนิจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างดีจนสามารถสลัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายในรูปแบบต่างๆได้โดยสิ้นเชิงหมดความสงสัยในอริยสัจธรรมทั้ง4ี่ เรียกตามสำนวนเาเป็นผู้รู้จักโลกกันแท้จริงม น, มนุษย์เราเนี่ยถ้ายังไม่สามารถเจริญปัญญาจนสามารถทังตลอดอริยสัจสีเห็นทั้งตลอดความจริงของปฏิจจสมุปบาทมองเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับสามารถเห็นแจ้งไตรลักษณ์เพื่ อ, อนิจังทุกขังอนัตตา แลเป็นอย่างดีจนสามารถสลัดไอตัวมิจฉาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นออกจากขันธะสันดานออกจากกระแสชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังเป็นยังชื่อว่าเป็นผู้ยังเห็นวิปริตฉะนั้นถ้าหากว่าใครสามารถเจริญยานปัญญาที่จนสามารถแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งสี่แล้วก็รู้ชัด ในอริยสัจไม่พอมองเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับว่าวิชาเป็นปจัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปจัจจัยจึงเกิดวิญญาณในสายเกิดเพราะวิชาดับโดยไม่มีส่วนเหลือโดยอริยมรรคเข้าไปละคายโดยไม่มีส่วนเหลือแล้วสังขารยิงดับเป็นต้นทั้งสายเกิดสายดับเห็นทรวดทะลวงกระแสชีวิตความเปลียนไปของสังสารวัตทั้งสายที่ดําเนินไปสู่ทุกข์และสายดําเนินไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงอีกตรงนี้สําคัญ การมองเห็นปฏิจจารและประชุมลงในอริยสัจแล้วก็ย่างลงสู่ไตรลักษณ์ <c oughs> คืออณิจจตาทุกาตาและอนัตตาเป็นต้นได้ทีนี้ในชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถเห็นแจ้งอริยสัจมองเห็นปฏิจจสมบัติทั้งสายเกิดและสายดับย่างลงสู่ไตรลักษณ์จนสา ม, มารถสลัดมิจฉาทิฏฐิออกจากขันธสันดานเป็นต้นได้เขาแปลว่าเป็นคนที่ยังไม่รู้จักโลกยังไม่สามารถมองโลกและชีวิตตามที่เป็นจริงใช่ไหม แต่ถ้าหากเห็นเธอรู้เธอลงอย่างนี้แล้วก็แล้วเป็นคนรู้จักโลกรู้จักชีวิตตามความเป็นจริงแนละ้วไอ้ตรงนี้ต่างหากจึงเป็นการมองที่ไม่มีอะไรมาแอบแฝงไม่มีอะไรมาปิดกั้นดวงตาเลยอ่ะวัางั้นเดี๋เหมือนมา้าแล้วเอาแว่นสีออกจากตาได้แล้วมองอะไรชัดเลยว่าเห็นหญ้าเขียวก็เขียวจริงๆหญ้าแห้งก็แห้งจริงๆว่างั้นเดี๋ข้าวเปลือก ที่มันแห้งก็แห้งข้าวที่ยังไม่แห้งก็เห็นว่าไม่แห้งจริงๆเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยมันมีตัวตัณหาตัวโทสะตัวโมหะหรือตัณหามาณทิฏฐิปิดม่านปิดใจอยู่ปิดม่านตาอยู่ทาให้เรามองโลกและชีวิตไม่ชัดไม่เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเพราะเนี่ยปัญญาตัวนี้แหละเป็นผู้ยังไม่รู้จักโลกอย่างแท้จริง นั้นหมอาเรียชนทั้งหลายเนี่ยเขารู้จักโลกและอย่างเราเนี่ยยังมองโลกแบบมีอะไรปิดบงังมีฝ้าปกปิดอยู่จึงไม่เห็นชัดถ้าวันใดวันหนึ่งเรามองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงได้เมื่อไรก็แปลว่าในวันนั้นน่ะเรามีปัญญาอย่างเซคขะอย่างผู้ที่กำลังศึกษามีการศึกษาเช่นมีปัญญาอย่างพระโสดาบันมีปัญญาอย่างพระสกาทาคามีมีปัญญาอย่างผ้านาคา แปลว่าผู้ ก, กาลังศึกษามีการศึกษาสมบูรณ์แบบแล้วรู้ชัดในทุกรู้ชัดในเหตุให้เกิดทุกรู้ชัดในความดับทุกรู้ชัดในปฏิพทาทางดําเนินในเข้าถึงความดับทุกมองเห็นปฏิจจสุบาททั้งสายเกิดและสายดับแล้วก็ยังสามารถเข้าใจไตรลักษณ์ได้อย่างแท้จริงด้วยนะอันนี้เจตตาทุกตาหน้าตาตา เ, เป็นอย่างดีการเห็นไตรลักษณ์นี่แหละจึงสามารถสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ ถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็เห็นด้วยความเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของอัตตามิจฉาทิถีก็แฝงอยู่อย่างนี้ก็เรียกไม่เด่นมองเห็นโลกหรือไม่รู้จักโลกตามตามความเป็นจริงหรือไม่ได้รู้จักโลกอย่างแท้จริงอยากจะมีปัญญาอย่างนั้นไหมถ้าอยากจะมีปัญญาอย่างนั้นก็ต้องขวนขวายในการที่ฝึกฝนพัฒนานี้เป็นต้นนี่ในด้านตรงนี้อันนี้ยังได้เจาะรายละเอีย นีพูดสั้นๆในเห็นนะนีองคุณของพระโสดาบันเดีย๋ยวจะไปยกพระสูตรมาเทียบเคียงแล้วก็ค่อยๆว่ากันไปเชื่อว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างมากแต่เราฟังกันอย่างนี้ก็ฟังกันแบบสบายๆาฟังกันแบบแบบสบายด้วยแล้วก็เป็นอิสระในการฟังด้วยแล้วฟังแบบมีมีศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาเป็นต้นด้วยด้านสังคมพระโสดาบันเนี่ย เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นเอกภาพในหมู่ชนได้อย่างดีนะที่เรียกว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันหรือว่ามีคุณธรรมของโสตาปฏิยัมคตธรรมจะเป็นผู้สามารถปฏิบัติในสารานียธรรมได้เป็นอย่างดีก็คือได้ครอบท่วมบริบูรณ์เพราะสามารถปฏิบัติถูกต้องตามหลักที่เรียกว่าเป็นดุดยอดที่ยึดกลุ่มหลักข้ออื่นๆไว้ทั้งหมด เขาเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาคนที่มีปัญญาที่เป็นทิฏฐิสามัญญตาคือปัญญาที่รู้เห็นโลกและชีวิตตามเป็นจริงแล้วเนี่ยข้ออื่นมาเลยตัวสัมมาทิฏฐิตัวนี้เกิดเมื่อไรปุ๊บเนี่ยคุณธรรมอื่นๆเพียบหมดเลยในกระแสชีวิตสารณิยธรรมมี6ใช่ไหมมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภาีศีรษะสามัญญาตาแล้วก็ทิฏฐิสามัญญตา เมตตากายกรรมคือแสดงออกทางกายด้วยเมตตาเช่นกายกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยก็มีการชช่วยเหลือกันกิริยาสุภาพเมตตกายกรรมที่แสดงออกมาในการขวนขวายในการช่วยเหลือในการปฏิบัติต่อการมีตัวเมตตาไอความรักความป ร, รารถนาดีเอื้อทอนเป็นตัวผักเป็นตัวผักอยู่ข้างใน ้พฤติกรรมที่แสดงออกมามีเมตตาเป็นตัวกำกับเป็นตัวกำรรกับคอยจัดแจงกายกรรมพฤติกรรมทางกายออกมาเวลาจะพูดก็เป็นเมตตาวจีกรรมก็คือจะพูดออกมาก็มีเมตตาเป็นตัวกำรรกับวจีกรรมคือคำพูดพูดคำที่เป็นประโยชน์พูดความจริงอ่อนหวานพูดถูกการพูดด้วยเมตตาจะพักออกมา แม้การคิดที่เป็นเมตตามโนกรรมมองกันในแง่ดีคิดทำประโยชน์แก่การยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นต้นเหล่านี้มันมีเมตตาเกิดในใจก็ผลักให้มโนกรรมอ่ะยิ้มในใจก่อนแล้วแล้วก็ผลักการยิ้มแย้มออกมาจากสีหน้าและแววตามองออกมาคิดดีต่อกันยริงจริงนี่เป็เมตตาเป็นตัวขับเคลื่อน มูสัตทั้งหลายเนี่ยเวลามีพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและอาชีพหรือการมองการดูหมูสัตว์ทั้งหลายมีตัณหามาณทิฐิเป็นตัวผักตัณหาก็อยากได้มานะก็อยากใหญ่ทิฏฐิก็ใจแคบสิแต่อิตัณหามาณทิฐิเนี่ยก้มรุมอยู่ในใจแล้วก็ทําใจให้มีความคับค้องจะรักใครก็รักที่มีเงื่อนไขเพื่อมีตัณหาเป็นความรักออกมาต้องการผลประโยชน์ จะพูดก็มีตัณหาเป็นตัวผลักออกมาดูเหมือนพูดดีหมดเลยนะแต่ต้องการผลประโยชน์แอบแฝงหรือจะกระทําออกมาก็ทํำด้วยเมตานะไม่ใช่เมตตาแท้เป็นเมตตาเทียมก็มีตัณหาในตัวแอบแฝงว่าผักออกมาแล้วก็มองกันไม่ออกและจตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนเองไม่ได้เจริญเมตตากายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมเพราะไม่รู้ว่าเมตตากับตัณหามันต่างกันยังไง แต่ถ้าหากคนเป็นวโสดาบันเนะี่ยเขาแยกสภาวะดำชัดเขาจะมีเมตตามีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนจริงๆแบบจับจิตจับใจจริงๆถึงจะผักออกมาจากการการะทําคำพูดและกระบวนการความคิดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมตตากยายกรรมวจีรรกรรมโนกรรมจรึงชัดมากเดี๋ยวรายละเอียดว่าอีกทีประการที่4ี่คือสาธารณโภขีแบนปันลาัชอบทําเฉลียเจอจาน ให้ได้มีส่วนร่วมทั่วกันเออนะสังคมของอาลยชนก็เป็นอย่างนี้นะลาบสการละที่เขาได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยก็แบ่งแบ่งปันสละเยือจานเกื้อกูลโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีคุณธรรมระดับอารยชนแล้วโอ้โหเขาต้องการเกื้อกูลช่วยเหลืออยากจะสร้างสังคมแบบนี้ขึ้นมาเป็นสังคมต้นแบบ สังคมแบบอย่างสังคมที่เต็มไปด้วยคุณธรรมจริงๆมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างแท้จริงแล้วก็ศีลและสามัญญาตาศีลและสามัญญาตามีความบุพเพสุดเกิศเสมอกันกับผู้อื่นไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่ชนก็คือว่ามีอริยกันณศีลเป็นต้นดังที่ได้กลา่าวแต่เป็นสามัญญ า, าเวลาเขาไปอยู่ด้วยกันเขาเป็นบุคคลที่ดาเนินกุศลศีล ทั้งศีลที่เป็นระดับวินัยศีลที่เป็นในระดับที่เป็นธรรมะเข แ, แยกชัดศีลระดับวินัยก็คือเวลาตั้งกฎเกณฑ์กติกาอะไรโอ้เข้าปฏิบัติร่วมกันมีกติกาใดๆแล้วก็เคารพระเบียบกฎเกณฑ์กติกาไม่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งไว้ดังั้นศีลในระดับวินัยเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นข้อฝึกเป็นข้อศึกษาเป็นข้อฝึกฝ น, กนพัฒนากันอย่างดีเลย กวาดเช็ดทูดูแลเอื้อเพื่อเพื่อแผววางกฎเกณฑ์กติกาอะไรไว้เนี่ยโอ้โหงดงามมากงดงามจริงๆกวาดวิหารรานโพเหมือนท่านวันกวาดวิหารลานโพก ว, ดว า, าทกวดทุกวันถวายอาหารแด่พระเจ้าอะไรก็จะทําและทําด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยนะไม่ใช้ทาแบบไม่รู้เรื่องรู้หละนี่ไหมศีลระดับวี่ไหนกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งกันไว้ไ ม, ม่ละเมิดกลับยิ่ง ปะพืชปฏิบัติด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเอาใจใส่ดูแลไม่ละเลยเลยเลยนะีเวลานี้สวดมนต์ทำวัดเวลานี้ประชุมร่วมกันเออในี้เขาตั้งกฎเกณฑ์กติกาใดๆที่เป็นระเบียบ ว, วินัยทั้งหลายเหล่านี้ยเขาเรียกว่าประพืิร่วมกันศีลในระดับวินยัยศีลในระดับธรรมะโอ้โหเจตนาศีเจตสิกสีสนเนี่ยกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจา และอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่เกินเกลนไม่กระจัดกระจายไม่สั้นไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลกําจัดความทุศีลได้จริงๆเลยกายสะอาดวาจาสะอาดอาชีพบ ร, ริสุทธิ์มีศรัทธามีความเชื่อมัน่นมีความละอายมีความเกรงกลัวตบะกุศลจิตเกิดขึ้นได้จริงๆและปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามในการกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาได้จริงโดยไม่มีตัวเบื่อนหนายเบื่อนหนายในการที่จะขัดเกลื่อนนะ ซึ่งคนที่ไม่มีศีลสามัญญาตาเนี่ยใครตั้งระเบียบขึ้นมาแล้วเซ็งเบื่อเลยโอ้โหเอาแล้วถึงเวลาต้องลุกมานั่งประชุมกันแล้วถึงเวลาต้องไปกวาดร่วมกันแล้วถึงเวลาต้องไปซักผ้าแล้วถึงเวลาต้องไปทำกิจกรรมเบือ่อแต่ศีลชรมัญญาตาคนที่แบบพื่อศีลเราเห็นเห็นศีลระดับที่ไหนโอยขนขวาย เขมองว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นไ ป, ไปได้วยความเรียบร้อยดีงามจะเป็นไปในการทําหมู่คณะให้สมานสมานสามัคคีอู้ชื่นใจมากเพราะเขาได้ทั้งวินยัยศีลระดับวินัยและศีลระดับธรรมะแยกออกไหมถ้าใครเห็นชัดศีลในระดับวินัยกับศีลในระดับธรรมะและ้วน <c oughs> ี่ก็จะไม่ก็จะไม่ก็จะไม่เบื่อหน่ายในการขัดเกลเาระค้อที่หก็ทิฏฐิสามัญญตา อันนี้สำคัญนิสัยคือตัวนี้แหละคนเป็นพระโสดาบันคนที่จะพัฒนาเป็นพระโสดาบันตัวปัญญาต้องชัดมีความเห็นชอบร่วมกันกับเพื่อนร่วมวงในอรยิยทฤษฎีซึ่งนําไปสู่การกําจัดรู้จักอรยิยทฤษฎีทฤษฎีของพาอาระอริยะทฤษฎีของพระพุทธเจ้าลองคิดดูเวลาพระพุทธเจ้าวางทฤษฎีวางรูปแบบวางกฎเกณฑ์กติกามาพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มี สพญตยานปัญญาญาณที่สูงสุดเวลาวางระบบวางทฤษฎีวางวินัยใดๆขึ้นมาแล้ววางด้วยอคติหรือไม่อคติไม่มีอคติเลยใช่ไหมไม่มีตัณหามนานทิฐิไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เขาชอบใช้คํานี้กันใช่ไฉะนั้นไว้ใจได้พระเจ้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนว่า ที่วางระบบขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ตนเองเป็นใหญ่นะเพื่อให้ตนเองดูดีดูเด่นไม่เลยอริยทฤษฎีทฤษฎีที่พระเจ้าวางไว้ที่เป็นระบบวินัยระบบจัดตั้งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์หมู่ชนจริงๆว่าถ้าพวกเธอทั้งหลายกระทาตามแบบอย่างอาริยทฤษฎีทฤษฎีของมาตรฐาคตแล้วเนี่ยทฤษฎีที่วางไว้เนี่ยจะเป็นไปให้เธอนั้ น, นพ้นจากทุกในอบาย ถ้าเธอปฏิบัติตามเนี่ยอาริยทิศฎีที่เราวางไว้เราในที่นี่หมายถึงพระเจ้ า, านะเธอจะพ้นจากทุกในอบายคือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็ดแอสุรากายและการที่เธอทั้งหลายจะได้พ้นจากทุกในสังสารวัฏได้ด้วยอาริยทิศฎีนี้เป็นแบบแผนเป็นแบบเป็นกแบบฎเกณฑ์กติกาไว้ฉะนั้นพอบอกอย่างนี้ทุกคนตื่นเต้นอูอยากปฏิบัติฟูฟัาางแล้วขนลุกชูชันเลยใช่ไหม อะไรหรือไม่ว้าวเป็นทฤษฎีที่ไม่มีอะไรซ่อนเลนแอบแฝงเลยเป็นทฤษฎีที่บัญญัติมาด้วยพระมหากรุณาที่คุณบัญญัติมาด้ยมีพระปัญญาคุณที่รู้ทุกแง่ ท, งทุก ม, มุมและผู้ที่บัญญัตินั้นมีความบริสุทธิ์จากกิเลสและกองทุกเป็นผู้มีความบริสุทธิ์จริงๆโอ้โหพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอาริยะทฤษฎี ทฤษฎีของอริยชนของพอระอาลยเจ้าคือของพระเจ้าทีนี้ให้สังเกตดูสิพอบุคคลที่เข้าถึงประพฤติปฏิบัติตามทฤษฎีนั้นก็จึงง่ายต่อการที่จะดําเนินกระแสชีวิตเข้าสู่ธรรมะระดับศีลธรรมะระดับสมาธิธรรมะระดับปัญญาได้อย่างแท้จริงพอเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วโดยเฉพาะได้ทิฏฐิ ที่เป็นสมบูรณ์แบบที่เป็นสมาธิิที่ฉานฉลาดที่เป็นตัวปัญญาอย่างแท้จริงที่บอกว่ารู้ชัดในอริยสัจสี่มองเห็นปฏิสุบบาทเข้าใจไตรลักษณ์แล้วก็หมดความสงสัยในอริยสัจในพระธรรมเป็นผู้รู้จักโลกอย่างแท้จริงแล้วฉะนั้นเขาเวลาเขาปฏิบัติที่เป็นทิฏฐิสามั ญ, ญาตาเนี่ย ก็เลยมีความเห็นร่วมกันกับบุคคลที่มีทิฏฐิมีมีปัญญายานในอริยทฤษฎีว่าทฤษฎีนี้จะ น, นําไปสู่ความกำจัดทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้ามีใครมาวางทฤษฎีอย่างนี้ที่เราไม่เคยสงสัยในทฤษฎีของท่านบุญนี่เลยหรือไม่เคยทฤษฎีระดับวินัยก็ไม่สงสัยคําสอนระดับพุทสูตรระดับพระวิธรรมไม่สงสัยในศีลสมาธิปัญญาในหลักของพระไตรวิฎกอริถธรรมดีกาที่พระองค์ทรงวางไว้เลย เพราะเกิดขึ้นด้วยความที่หนึ่งเป็นสัพพนิยูสบริสุทธิ์เป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์หุดจดฉะนั้นกรุณาของท่านคนนี้จึงไม่เรียกกรุณาธรรมดาเรียกว่ามหาการุณาเป็นกรุณาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยวดยิ่งใหญ่มากนี่พอมองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันก็จะมีลักษณะนี้แหละ เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารนโพกีสีระสมัญตาและทิฏฐิสมัญตาพอชาดตรงนี้ไหมทีนี้จากการที่เข้าใจในอริยทฤษฎีทิฏฐิที่เป็นอริยในข้อที่6เนี่ยมีลักษณะที่เป็นธรรมดาของพระโวสดาบาลที่ควรจะกล่าวควรจะขยายก็คือว่าเป็นธรรมดาของบุคคลที่เป็นพระสวสดาบาลเมื่อต้องอาบัติท่าละเมิดพี่นัย แล้วซึ่งแก้ไขได้ก็จะรีบเปิดเผยรีบแสดงให้พระบรมศ า, ศาสดาหรือเพื่อนร่วมหมู่คณะที่เป็นวินยูชนได้รับทราบทันทีแล้วก็จะสังวรต่อไปเปรียบเหมือนเด็กอ่อนแอแบบอกเหยียดมือเหยียดเท้าไปถูกไฟแล้วก็จะรีบชักกลับทันทีเออคนที่มีคุณธรรมอย่างนี้นะมีปัญญาชัดเนี่ยพอไปร่วม กระทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยเหมือนเด็กเลยนะเด็กเอามือไปแย่ไฟปุ๊บหนึ่งโอ้จำ้ำจนตายเลยไม่แย่อีกเลยนะเอาเท้าไปแย่ถูกไฟโอ้เป็นร้องร่นเลยหยิบชักคราวกลับดันดีเหมือนกันคนที่มีปัญญาอย่างเห็นความจริงของโลกและชีวิตถ้าไปรู้ว่าอะไรัเป็นโทษจะไม่ร่วงละเมื่อดีฉะนั้นถ้าเรายังไม่มี ทิฏฐิสามัญญตาสังเกตได้ตรงที่ไม่ไม่มีความเข้าใจในแบบอย่างของอริยทฤษฎีไม่มีความเชื่อมั่นในอริยทฤษฎีอย่างแท้จริงถ้ามีทิฏฐิสามัญญตาร่วมกันปุ๊บเนี่ยพอวางกฎเกณฑ์กติกาพอรู้ว่านี่เป็นกติกาเป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าไปเสร็จโอ้โหตั้งใจสมบแล้วบังเป็นนี่ยังในใจเราเป็นนี่ยัง ถ้าเป็นขนาดว่าโอโหถ้ารู้ว่าเป็นโทษเป็นความผิดไม่ทําเลยเป็นแบบนี้ยังเข้าถึงตรงนี้ได้ยังถ้ายังไม่เข้าถึงแปลว่าคุณไม่ได้ตัวทิฏฐิสัญัญาตาตามแบบอย่างของอริยชนและไม่เข้าถึงศรัทธาที่เป็นตถาคตโพธิสัตว์ถ้าศรัทธากับปัญญาเข้าเชื่อมกันอย่างรากลึก ลงสู่อริยทิษฎีจะเห็นเหมือนเด็กเอานิ้วไปแย่ไฟชากกลับรู้ทันทีว่าร้อนว่ามีโทษรู้เลยว่าทิษฎีแบบอย่างของอริยชนของพระริชาที่วางไว้โอ้โหป้องกันเราแทงพอไปเกิดฟุบขึ้นมาจะรีบเปิดเผยรีบแสดงรีบบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าพลาดในข้อนี้ไปแล้วขอทำคืน้องคืนแล้จะสํารวมระวังต่อไปนะมีจะเป็นลักษณะแบบนะ้ คือทุกวันอยากจะขอขมาพระรันตนนาฏยต้องการขอขมาพระรัตนนตยัย์ด้วยใจที่นอบน้อมจริงๆเราได้กันได้ยังตรวนี้ใจจะอ่อนโยนมากแล้วขอขมาทุกวันขอขมาพระรันตนนาัยแล้วก็สำรวมระวังเองสังเกตทดสอบตัวเองนะใจตัวเนี้เบาโปร่งได้ ย, ยังถ้ามีตัวนี้แปลว่าคุณกําลังดําเนินไปสู่โสตตาพเดียงคะ่ะ กําลังทำโสตาปริยัมการทาให้เกิดขึ้นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันมีหรือยังครับคนนี้ทําไมไม่มีงั้นใจก็ด้านดีดนะีนี่ต้องต้องต้องทําให้เกิดนะต้องทําให้เกิดทุกวันใจอ่อนโยนทุกวันเนี่ยทํำยังไงฟังธรรมด้วยความเคารพใช่ไหมเป็นต้นแสดงว่าขาดข้อนี้ ไอ้ตรงนี้วัดวัดอย่างนี้นี่น่ข้ละข้อ2ตามธรรมดาคนที่เป็นพระโสดาบันทั้งที่เป็นผู้เอาใจใส่คอยคนกวาช่วยเหลือธุรกิจทั้งหลายทั้งงานตา่ำงานกลางงานสูงเนี่ยของเพื่อนร่วมหมู่นะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในอธิศีนอธิจิตอ ธ, อ ธ, อธิปัญญาในสิขาเหล่านั้นตรงนี้คือว่า ท่านอุปมาอย่างนี้ว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันในรณะที่ต้องขวนขวายทากิจกรรมในการหากินหรือขวนขวาย ใ, ในการทำกิจกรรมการงานโดยทํากิจเนี่ยแต่จิตจะต้องมนสิ ก, การขวนขวาย ใ, ในการที่จะตรวจสอบอธิสีณอธิจิตอธิปัญญาเหมือนแม่โคปากและเลมย่าตาฉมเลืองดูลูกน้อยตลอดเวลาให้สังเกตดูนะ กระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเป็นแบบนั้นไหมทํากิจกรรมทั้งหลายเหลา่านี้ตรวจสอบศีลตรวจสอบสมาธิตรวจสอบปัญญาตัวเองว่าจะหลุดรอยหายไปไหมเนี่ยหรือไปมัวอินเพลินไปทํางานก็ไปเพลินในเรื่องงานจนละเลยศีลละเลยสมาธิละเลยปัญญาอาทิศีลอาทิตจิตอาทิปัญญาเนี่ยคอยตรวจสอบตรวจตาว่าจะหลุดไปจากกระแสะชีวิตไหมจะไม่ให้โอกาสเกิดปัญหามาหน้าทิศ เพราะตัณหาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรสมาธิมานาเป็นปฏิปักษ์ต่อศีลทิฏฐิเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาฉะนั้นจะคอยตรวจตรากระแสชีวิตเรามีศีลสมาธิปัญญาคอยกำกับอยู่ไหมในขณะที่ทากิจการน้อยใหญ่งานเล็กงานใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นข้อวัดข้อตรวจสอบเราท่านทั้งหลายให้ตรวจสอบที่นี่2คําว่าทิฏฐิสามั ญ, ญาตาวัด2ประการวัดผล2ประการนะ ประการแรกดังที่ได้กล่าวไปแล้วประการแรกคืออะไรประการแรกคืออะไรที่ว่าทิฏฐิสาปัญญาตาประการแรกเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงอะไรเวลาละเมิดก็เปิดเผยทันทีร่วมเกินก็จะเปิดเผยทันทีไม่แชร์แล้วประการที่สองเวลาทํากิจการน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ ก็ชมเลื่องดูศีลสมาธิปัญญาไม่ปล่อยให้ศีลสมาธิวัดปัญญาดูจากกระแส ช, ชีวิตคอยระมัดระวังคอยฝึกตนทิฏฐิสัมมั ญ, ญาตาคือมีปัญญาอย่างเห็นตัวเองอย่างเห็นกระแสชีวิตของตนเองในสองด้านด้านหนึ่งถ้าล่วงละเมิดกฎเกณฑ์กติกาใน<ม>อริยทฤษฎีในทฤษฎีของพระจินจ่าปุบจะรีบแก้ไข ทันทีเมื่อเจอวิญญาชนเจอผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมนะในข้อที่2เวลาทํากิจการน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นทั้งในส่วนตัวส่วนรวมทั้งหลายก็คอยฝึกตนเองฝึกพฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้ดําเนินไปตามมรรคาของคินเจ้าตามเส้นมัชฌิมาปฏิทาจะไม่ให้หลุดออกจากเส้นทางนี้เด็ดขาดเนีย่ยต้องต้องตรวจสอบคําว่าทิฏฐิสามัญญาตาเขาตรวจสอบแบบนี้ ว่าคุณมีปัญญาที่มีทิฏฐิที่สมบูรณ์หรือมีทิฏฐิที่เป็นสมาธิทิฏฐิไหมก็ดูตรงนี้เป็นเป็นเป็นแบบอย่างเป็นข้อตรวจสอบตัวเองนะบางคนพูดตรงนี้ยังไม่เข้าใจนะเข้าใจไหมไม่ไม่ตั้งใจฟังไม่เข้าใจนะเมื่อกี้ยา เนี่ยอันนี้อธิบายไปแล้วการที่จะมีศีล่าสามัญญาตาการที่จะรู้จักศีลได้มัใช่ปัญญาใช่ไหมตัวปัญญาถึงจะไปเห็นใช่ไหมเห็นความจริงตรงนั้นถ้าไม่มีปัญญามันจะไปเห็นได้ยังไงศีลเป็นปนมามธรรมเป็นสภาพเป็นการกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาในการที่ไปเชื่อมั่นในอริยทิษฎีการไปเห็นอริยทฤษฎีที่มีคุณจริงๆมันเห็นได้ด้วยปัญญานะี ไม่ได้เห็นด้วยความเชื่อความเชื่ อ, อคือความรู้สึกแต่ทิฏฐิปัญญาเข้าไปเห็นความจริงเห็นคุณเห็นโทษเห็นว่าถ้าเราดาเนินตามกรอบแบบอย่างของอริยทฤษฎีเนี่ยจะพ้นจากโทษในอบายภูมิโทษในสังสารวัฏนั้นถ้าล่วงละเมิดเมื่อไรพวกแปลว่าเราพลาดมันจะมีจิตสํานึกอย่างแรงกล้าที่จะชักมือกลับทันทีเหมือนเอามือแย่ไฟเลยนะเหมือนขนไก่แย่ไปในไฟหดหนีอย่างรวดเร็วชั้นใด อริยาสาวกของพระชินเจ้าหรือสาวกของพระทเจ้าทั้งหลายพุทธบริษัทพระเจ้าถ้าทําผิดแล้วแก้ไขทันทีไม่ใช่แช่ไม่ใช่แช่อยู่เพรานั้ใจมันก็บอดดิใจมันก็ด้านใช่ไหมพอจะชัดเจนเนี่ยอ้าวคุณสมบัติก็หมายความว่าที่ละบุคคลที่เป็นพระโสดาบันหรือกําลังดําเนินสู่ความเป็นพระโสดาบันเนี่ยที่จะต้องค่อยๆลดลงเขาเรียกสังโยชน สักยทิฏฐิวิจิกิชาศีระพตาปรามานเนี่ยความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยที่ติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นเนี่ ย, ยถ้าให้เห็นแก่ตัวอย่างหยาบหยาบเกิดกระทบกระทั่งแล้วก็ก่อให้เกิดทุกข์อย่างแรงแรงขึ้นมานี่คือสักยะทิฏฐิใช่ัหมล่ะถามว่าตัวสักยทิฏฐิเนี่ยติดสมมตมิติดไม่ติด ตัวเห็นผิดตัวเนี้ยมันเข้าไปผกมัดติดเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกระแสชีวิตเนไปติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นเลยเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนคนที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนก็เลยติดสมมุติว่าตนเป็นอะไรตนเป็นพ่อตนเป็นแม่ตนเป็นลูกเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปบอกว่ามันไม่มีน มันเข้าใจสมมุติและปฏิบัติสมมุติได้ถูกต้องฉะนั้นตรงนี้มันจะถูกละได้ด้วยสั ก, สกยศกิจทิฏฐิถามว่าคุณละทำระดับไหนที่ละสักยศทิฏฐิได้ระดับศีลหรือระดับสมาธิหรือระดับปัญญาทิฏฐิเนี่ยเป็นปฏิบัติ์ต่อปัญญาที่ปัญญาเนี่ยต้องตั้งอยู่บนฐานของสมาธิสมาธิต้องตั้งอยู่บนฐานของศีล สรุปก็คือศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญามันเป็นตัวละวิธีละสักยะทิถีละตัวตนเนี่ยตัวตนไม่มีอยู่จริงไหมมันไม่มีอยู่จริงเขาไม่ได้ละตัว ต, วตนนะละกิเลสไอละมิจฉาทิถีตัวนี้เวลาปัญญาเกิดขึ้นมิจฉาทิถีก็ไม่เกิดทีนี้ถ้าไม่มีข้อมูลไม่รู้จักว่าความเห็นว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนการติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นคืออะไร ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมานี่โอ้โหมนุษย์มันเป็นใช่ไหมพอเป็นขึ้นมามันยึดไอการไปยึดนี่แหละเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรมันยึดมากเลยแล้วมันเป็นทุกข์เพราะเป็นนี่แหละทุกข์เพราะเป็นนี่แหละพอไปยึดมากก็อะไรเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณความทุกข์มากตรงนั้นไอยึดเนี่ยตัวทิฏฐิกับตัวโมหะต่างกันยังไงต่างยังไงทิฏฐิเห็นผิดใช่ไหม โมหะเป็นธรรมชาติที่มันไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงก็คือมันปิดบังความจริงไว้ก็หลงอยู่ไหมแล nope. ้วโมหะเนี่ยทำให้เราได้เลยได้ทุจริตกายย่ทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ควรได้แต่โมหะทำให้ได้กายยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตควรได้ก็ทำให้เราไม่ได้นี่โมหะมันปิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วโมหะเนี่ยปิดทำให้เราเนี่ยไม่ ไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรเป็นปรา si มาตรรมอะไรเป็นมัญญากรานงั้นการที่ไปติดสมมติอย่างเหนียวแน่นด้วยสักยะทิฏฐิเพราะมีโมหะอยู่เบื้องหลังโมหะมันมัปิดบังอยู่มันก็เลยยึดใหญ่เลยนั่นเละยึดต่อความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนอย่างนี้เป็นต้นตัวนี้จะละได้แล้วถ้าคนที่กําลังฝึกผลพัฒนาตนเองตัวนี้จะเบาบางแล้วก็จะแยกแยะได้ มันเข้าใจโดยสุตตะโดยข้อมูลในขณะที่ฟังวันนี้ก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วฝึกผลพัฒนาปัญญาจนแยกแยะร า, ายละเอียดได้ในตัวมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ก็ไม่ยิงอาศัยก็เริ่มจะหมดบทบาทไปเรื่อยๆๆจนในที่สุดจริงก็ละได้เด็ดขาดเมื่อประชุมปัญญาในอริยามรรคประการที่2คือวิจิกิจฉาความสงสัยไม่แน่ใจต่างๆที่เกี่ยวกับพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญา ว่าจะสามารถดําเนินไปสู่ความเป็นข้อปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่แล้วก็สงสัยในพระสงฆ์ที่เป็นพระอาริยะบุคคลมีจริงหรือไม่ที่จะปฏิบัติตามแล้วบรรลุเป็นพระอาริยะบุคคลจริงหรือไม่เป็นต้นเหล่านี้ไอ้ตัววิจิกิจฉานี่แหละทําให้จิตใจไม่น้อมดิ่งไปในทางที่จะระดมความเพียรมุ่งหน้าปฏิบัติลดหน้าไปในมรรคาของพระชินเจ้าหรือเส้นทางามัชฌิมาเพราะเกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาปุ๊บ ขวางั้มมันขวางยังไง ร, รู้ไหมเวลาวิจิตรฉาเกิดขึ้นความลังเลสงสัยเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุทำให้เราไม่ระดมความเพียรเต็มที่ความลังเลแล้วทุกวันนี้หลายคนเกิดอยู่ตลอดแล้วไม่รู้ตัวว่าเกิดทั้งๆ ท, ท, ที่ประกาศตนเป็นผุดแต่ไม่ระดมเต็มที่สงสัย อ่ะสมมติว่าไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้เต็มที่ไม่มั่นใจว่าเราจะบรรลุได้จริงเป็นวิจิตรฌาห์ไหมสงสัยในกระแสชีวิตนี้สงสัยในความเป็นมนุษย์มันไปแล้วเนียเนี่ยไปแล้วนะแล้วก็สงสัยว่าที่เราจะสามารถเอาศีลสมาธิปัญญามาประชุมในกระแสชีวิตได้จริงหรือสงสัยว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะสามารถ มนุษย์ฝึกฝนและเข้าถึงได้จนสามารถประชุมปัญญาจนสามารถพากิเลตได้จริงน้น่นนะครพระพุทธเจ้ามีจริงเรือพพุทธเจ้าแทงตลอดอริยสัจจะไ ด, ได้ด้วยตนเองมันจริงหรือไม่พระธรรมที่พระองค์ทรงประกาศมาในศีลสมาธิปัญญาอริยสัจเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาจะเป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติสามารถทําให้พ้นทุกข์ได้จริงพภาริยะมีจริงหรือบุคคลที่เข้าถึงดําเนินตามธรรมะเข้าถึงความเป็นุรรม หรืออาะโอ๊ยจริงทั้งหมดวางกันไปเข้าใจข้างในนพุทธธรรมสังฆะไม่มั่นใจตัวเองไอ้ที่ไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้ไม่ระดมความเพียรเพื่อดําเนินไปสู่เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาดําเนินไปตามมารการก็ไม่ใช่ละใจนี่วิจิตรฉาตัวเนี้ยมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่น้อมดิ่งทาให้จิตไม่ดิ่งลงไม่ไม่ดิ่งลงจริงๆนะ มันมันมันได้แค่นิดนึงพอจะทำอะไรลงไปพรามันขวางอยู่ขวางลังเลอยู่ไม่ระดมความเพียรมุ่งหน้าปฏิบัติให้เร่งรุดไปในเส้นทางนี้ปฏิบัติทานี้ทางดำเนินนี้มันพอทำเป็นวิธีเคยเป็นไหมกึด อ, อ้าวเขาสวดมนต์ก็สวดกับเขา ถ้าจะระดมจริงๆตั้งใจจริงๆรลังเลนี่วิจิตรกิจจะเป็นอย่างนี้นะลังเลบางทีก็จะมีเรื่องอื่นมาขวางเราช่วงนี้ป่วยลังเลช่วงนี้นอนกอดอะไรก็แล้วแต่เถอะมันทำให้หยุดระดมความเพียรอีกหลายจุดมากจะเดินทางช่วงนี้จะทำโน่นช่วงนี้จะทำนี้นนนมันก็เลยไม่ไม่ไม่ระดมเต็ม สงสัยลังเลคำว่าลังเลในที่นี้มันจะชัดอยู่บางคนลังเลหนักถึงขนาดว่านี่ตกลงจะเอาอยัางไงลังเลในยังนักบวชเนี่ยพูดตรงๆนันกามาคุณก็ไม่ได้กามคุณก็ไม่ได้ไม่ได้บริโภคเต็มที่เนคขมมะก็ไม่ได้ ผิดหวังทั้งสองทางสมมุติบงคนบวชอุตสาบวชเข้ามาแล้วเนคข ม, ม่าก็ไม่ได้นะคือการเข้าถึงระ ด, ดับสมาธิปัญญาทั้งหลายเนคข ม, ม่าก็ไม่ได้กามคุณก็บริโภคได้ไม่เต็มที่เนี่ยลังเลอยู่อย่างนี้แค่นี้จนตายไปเลยนะครับมงคนบวชเข้ามานะผิดหวังทั้งสองทางเข้าใจไหมในว่าการการจะบริโภคการเหมือนคารวะเขาเขาไม่ได้ ยาวโลคได้ยังไงได้ไม่เต็มที่หร้วผิดหวังการพกคุณด้วยแล้วเนี่ยขมมาก็ไม่ได้ก็ใช่ไหมเออนังบวชเป็นแบบนี้ตกงลงจเอาไงลังเลไงลังเลจะทุ่มทั้งนี้ก็ไม่มั่นใจตัวเองไอจะออกไปก็ยังไม่มั่นใจ อ, อยู่อย่างเนี้ยอ้าว เป็นคารวะไอเจตลุยในด้านของกามคุณเต็มที่ก็ไม่เอาอีกไอเจะลุยศูนย์เนคขมะปฏิบัติเต็มที่ก็ไม่ชัดอีกกาลังเละมันมองเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกวิจิกิจฉาแหลงมองว่าอถ้าเราจะอย่างพระโพ ธ, ธิสัตเนี่ยเวลาท่านจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยเปวิจิกิจฉาท่านท่านรู้เป็นวิจิกิจฉาท่านตัดเลยเนะท่านบอกว่า ในการที่จะดาเนินเข้าสู่นเนคัมนีสุท่านลงละา ก, กามสุท่านก็บอกเสียดายในกามสุท่านจะได้ความสุขในเนคัมาสุต้องทิ้งกามสุท่านบอกไม่ลังเลเลยทิ้งกามสุท ม, มุ่งไปสู่เนคัมมาสุอย่างนี้ใจอย่างเงี้ยก็เรียกอะไรวิจิกิจฉามันไม่ทำงานไอ้เพื่อวิจิกิฉามันคล้ายปัญญา มันคล้ายปัญญามากไนดะ้ต้องระวังนี้คิดไม่ดีมันเหมือนคนรอบครอบจริงไหมมันเหมือนคนรอบครอบไม่ดิ่งไปไม่ดิ่งลงไปอย่างนี้เป็นต้นพอจะเห็นได้ ย, ยังตดน้อ่ะต่อไปสีระพตาปรามากความถือเขวเกี่ยวกับสีรจพ์ก็คือการถือปฏิบัติศีลก็คือกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมต่างๆไม่บริสุทธิ์ตามหลักการตามความมุ่งหมายที่มุ่งไปสู่ความดีงามเช่นว่าหวังผลประโยชน์ตอบแทนหวังจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นตลอดถึงการประพฤติที่งมงายทำตามๆกันมาเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกสีระพตะปรามาเ อ, อืนในคำว่าสีรตีระพตปรามาสะเนี่ยตรงนี้อ่ะ ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นศีลพจน์เป็นการประพฤติศีลที่ไม่ถูกต้องเนาะไม่ถูกต้องตรงนี้ขยายไปบ้างแล้วก็คือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายเหล่านี้หรือวินัยเนี่ยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าวินัยกฎเกณฑ์กติกานี่มีไว้เพื่ออะไร แล้วก็ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ชานฉลาดในการฝึกผลพัฒนาตนเองเพื่อเดิมเดิมไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้เป็นกันเยอะพอพูดถึงเรื่องของศีลพระตาปรามาสเป็นการยึดมั่นลยยึดมั่นถือปฏิบัติในศีลในกฎเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ตรงตามความมุ่งหมายที่แท้จริงศีล น, นะวินัยเพื่อ อ, อวิปัิสาร วินัยเป็นประโยชน์ต่อความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเป็นไปเพื่อปราโมดปลาโมดเป็นไปเพื่อปีติปีติเป็นไปเพื่อปัสสทธความสงบความสงบเป็นไปเพื่อสุขสมนะสุขสมณะเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงวินัยทั้งหลายกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายมันต้องมีเป็นไปเพื่อเพื่อความเรียบร้อยดีงามแล้วก็เป็นไปเพื่อจุดหมายเพื่อปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงนู่น แต่ทีนี้พอเราตั้งกฎเกณฑ์เกติการะเบียบวินัยแล้วไม่รู้จุดหมายเลยไม่รู้ควะไม่รู้วัฒนธรรมประเพณีเลยเพื่ออะไรอย่างไรทำตามๆกันงมง่ายทำโดยไม่รู้เรื่องทำแบบตันหามันน่าที่ตีเขาจับฉวยจับต้องก็เป็นศีเลาะประจรามาฉะนั้นบ่งบอกว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันหรือคนเป็นพระโสดาบันหรือกําลังจะเป็นพระโสดาบันจะต้องฉลาดในเรื่องพวกนี้รู้ข้อระเบียบยกฎเกณฑ์กติ ก, กาว่ามีไว้เพื่อ ตรงนี้สำคัญมากเป็นสังคมที่มีการศึกษาฝ่ารู้ไฝ่เรียนใฝ่ศึกษาฝ่าที่จะรู้เข้าใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเขาวางระเบียบอะไรไม่รู้ทำกันแบบงมๆเงยๆนะอู้สียงหายมากเริ่มชัดยัย น, นี่ไงใช่ไหมตรงนี้ก็คือสักยะทิถิวิจิกิชาสีรัปตาปรามานิพระโสดาบันละได้ทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าบางคนเนี่ยโอ้ เรายังเป็นปุถุชนอยู่ก็มีบ้างนี่เ น, น, น, น, น, นเราก็ต้องมีการปริ่มพืปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกไม่เข้าใจเป็นปุถุชนต้องเป็นกิริยาณนะปุถุชนต้องชฌานฉลาดในในในกิเลสสตัวนี้ทั้งสักกายะที่ทิวิจี ร, ริขาสีระพตาปรามาสานต้องเข้าใจกิเลสแบบนี้ว่าว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นในตน้นถึงแม้ว่ามันยังละไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าดําเนินไปสู่การที่จะไม่ให้เกิดขึ้น เพราะปัญญารู้และเข้าใจทั้งสุตตะสั่งสมมาอย่างดีจินตะมะยะปัญญาสั่งสมจนถึงการภาวนาะประจักก็คือฝึกฝนวารนาตนเองเพื่อจะให้ได้ปัญญาที่ละสิ่งเหล่านี้ได้ให้เด็ดขาดนี่เป็นต้นและอีกอย่างหนึ่งละมัชริยความตะหนีความใจแคบหวงแหนคอยกิดการผู้อื่น5ประการหนึ่งอาวาสามัมชริยอันนี้หวงถิ่นหวงที่อยู่ เออตรงนี้สาคัญมากบางคนบอกว่าฉันยังเป็นปุถุชนอยู่ฉันต้องห่วงใช่ไหมมันมีเหตุผลที่ต้องห่วงถ้าไม่ห่วงก็โดนยึดที่หมดยึดที่อยู่คาว่าไม่ห่วงเนี่ยก็เปรียบ แ, แปลว่าใจก็เปิดตออ ห, ห่วงอย่างไงไอห่วงเป็นกิเลสไงตัวมัชชริยะเนี่ยจิตมันคับแคบเหมือนใส่เสื้อกลอ รัดไว้แน่นเป็นทุกข์มากกว่าที่มีมัจฉริยะเนี่ยมันเหมือนรัดตึงอยู่ตลอดเวลามันมันกุ้มมันทุกข์โอ้เรายึดบ้านเราเนี่ยที่ดินเราเสื้อผ้าเราเนี่ยโอ้โหมันมันยึดพอยึดกันมาเนี่ยมดตายตัวเดียวเลยนะั่นเป็นทุกเครียดกินเลยนะมแมลงสาบบินจับเสื้อโอ้โหเครียดกิน พวกเดินตายในบ้านมดตายในบ้านโอ้โหมแมลงวันจับในบ้านยู่มันห่วงมันอึดอัดครับค้องไปหมดแล้วไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวนะทีนี้ถ้าไม่ห่วงตือทะละตัวนี้ได้เนี่ยจิตใจมันเปิดกว้างเริ่มชานฉลาดแล้วก็รู้สมมุติว่าเราจะปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่างไรเวลาบ้านมันผูพังหรือมันสบซุดเสริมหรือที่อยู่อาศัยทั้งหลายทีนี้เป็นเท่าไหร่นี่ มันก็รู้จักวิธีการจัดแจงวิธีการที่ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้อย่างดีด้วยความชานฉลาดเพราะไม่ถูกตัวมัจฉริยาในเกาะกลุมจนกลายเป็นเครียดเป็นโรคจิตโรคประสาทใช่ไหมบางคนเนี่ยมีบ้านอยู่นิดเดียวมีที่อยู่นิดเดียวหูล้อมหลายชั้นนะเขียนแล้วเขียนอีกที่ส่วนบุคคลนี่เขียนไม่เป็นไรนะเดินทุกมากนอนกังวลมีใครจะไปแอบเอาอะไรไปอ้อีกเยอะมาก มัชริยะมัชริยะก็คือห่วงถิ่นห่วงที่อยู่ห่วงตำบลอำเภอจังหวัดประเทศห่วงโลกใบโลกของเราอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าใน ก, กรณีอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เจริญปัญญามาดีที่จะเป็นพระสุดาบันตัวนี้เขาบดผ่อนคลาย เแล้วก็บอกเอ๊ะเป็นว่าสดาบันไม่ดีนัเข้านักเขาก็โดนเอาเปรียบใหญ่เลยทุกคนก็จะไปเข้าใจกันอย่างนี้นที่จริงไม่ใช่ประชานชนก็รู้ว่าสมมุติปฏิบัติกฎเกณฑ์กตกาอย่างนี้นกุ่มละมัชริยะนี่ตระกูลนเนี่ยนะพวกพ้องเออตระกูลในที่เนี้ยเออห่วงสำนักด้วยนะโอ้พวกพ้องสายพันธ์เนี่ย เล่นพักเล่นพูดเล่นพักเป็นพูดถ้าเป็นพรกะก็ตะกูลนุปถาเข้าเข้าใจไหมโอ้เนี่ยโยมเนี่ยเขาใส่บาตรพออยู่ต่อมาแล้วก็ไปใส่บาทรคนอื่นๆหนเครียดกินเลยมีไหมตรงนี้มีไหมมีความสุขไหมเขาไม่ใส่บาทรเราอีกเลยไม่ใส่องค์อ อ่านีดีค่อยๆได้เขาไค่อยใส่แล้วไปใส่คนอื่นห่วงตระกูลแล้วนักเขานักเขายอมไปใส่ทำไมพระลูกนะี่มาดูแล้วเนี่ยท่านเป็นข้อปฏิบัติไม่ค่อยถูกหรอกคุณเหมือนอาตมา <c oughs> คืออาจจะพูดเฉีดเยดเฉียดไปนี่ยลักษณะแบบนี้มันห่วงห่วงตระกูลลาภามัชริยะก็ห่วงลาวคือผลประโยชน์กิจการแม่คนอื่นได้ เป็นปัญหาจริงๆหวงผลประโยชน์วันน้ำมัฉริยะเนี่ยกียติคุณเนี่ยคำสรรเสริญือความสวยงามด้วยนะได้ยินเสียงสรรเสริญคนอื่นเขาฉลาดนะคนอื่นเขาเก่งนะใจมันเป็นทุกข์ทันทีเลยนะเฮ้ยคนคนนั้นก็เข้าใจเนาะคนคนนั้นก็าทำดีเนาะเนี่ย มันไม่ไหวเลยเนะี่ยทนไม่ได้เลยเคยเป็นไหมเออเราทำแทบตาย ไ, ม, ไ, ม, ม, ไม่ไม่ชมมมีไหมเกติคนเดี้ห่วงบางทีมันมันมีนั่นแหละมันมีนั่นแล้วก็ถึงแค่ที่ไหนโอ้คนคนนั้นมีมันยาิตี แสดงว่าท่านว่าฉันใช่ไหมว่ามารยาทไม่ดีโอ้โหเป็นเออรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกเป็นวันนมัชเชียประการสุดท้ายคือธรรมามัชฉริยะก็หมายความว่าหวงธรรมะวิชาความรู้คุณวิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้หรือมีประสบประสบความเทียบเข้าตนเองตรงนี้ก็คือคิดอะไรได้ทุกวันนี้นก็จดลิขสิทธิ์กัน ท, ทําหนังสือก็มีการลิขสิทธิ์แย่ๆหมดเลยนะีหวง เป็นความรู้นี่ไงว่าคนเป็นพระโสดาบันและสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่า น, นั้นก็คือความประพฤติความลําเอียงต้องหละั้น ท, า, ออทาคติลําเอียงเพราะชอบโทษาคติลําเอียงเพราะชังโมหะคติลําเอียงเพราะหลงเข่าเนี่ยปัยาคติลําเอียงเพราะกลัวสรุปก็คือว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันหรือดําเนินชีวิตไปสู่ความเป็นพระโสดาบันก็ต้องไม่มีร ไี่ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มาเอาเพราะอะไรมนุษย์เราจึงมีอคติเพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเดินพลมิหารธระทำได้ใช่ไหมเ่เนี่ยมันลำเอียงกันเต็มไปหมดเลยแบบนี้ที่สังคมที่ลำเอียงเราก็เลยมีสารสถทุกทิดยุติถ่อมเนี่ยเพราะไอ้นี่ยเพราะเราไม่มั่นใจกัน ถ้าเราไม่มีอคติกันแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งศาลเล ย, เลยถ้ามีคุณธรรมความเป็นประโสดาบันจะแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปให้คนอื่นมาวิจัยตัดสินเพราะว่ามีปัญหาเลยเลยเพราะอาคติไม่มีจะได้ทุกวันเนี้โอ้โหที่มันฟ้องร้องกันต่อสู้กันหรือว่าลูกหลานทั้งหลายพ่อแม่รักไม่เท่ากันทั้งหลายอาคติมีตั้งแต่เด็กไหม เป็นตั้งแต่เด็กๆเลยพ่อแม่ก็ง ง, งว่าทไมลูกเป็นอย่างี้พ่อแม่ก็คิดว่าไอคนเนี้ยปิบัติดลูกๆก็คิดมองพ่อแม่ลูกลูกกูกันเลยก็เล ย, ยกลายเป็นอย่างี้เนี่ยอคตินะสรุปตรงนี้ก็คือว่า อากิเลสตัวใหญ่ราคาโทสะโมหะโลกกดหลงเนี่ยบุคคลที่เป็นพระสสดาบันหรือฝึกตนเองเพื่อจะเป็นพระสสดาบาลก็ต้องละกิเลสหยาบหยาบรุนแรงที่จะทําให้ไปสู่อบายภูมิสรุปก็คือว่าบุคคลที่เป็นพระสสดาบาลจะไม่ทํำกรรมชั่วดีคบกรรมบทลงสู่อบายภูมิแล้วละได้เด็ดขาดแล้วเว้ภัยทั้ง5 ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักการประพฤติผิดในกรรมการพูดเท็จส่อเสียดความหยาเพื่อเจอือการเอาของมึนเมาใส่ไปในกระแสชีวิตทั้งหลายเวรภัยทั้งหลายเนี่ยระ ง, งับได้หมดแ ล, ล้วนะระงับเวรภัยทมานาทุกทางใจต่างๆที่จะพึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามศี่หทั้งหลายลเรานี่ เ, น เ, นเวรภัยทั้งนั้นแสดงว่ากุศรุรศีในสี่ห้าครบที่เป็นผู้สมบูรณ์ พนจากอบายสิ้นเชิงหลุดพ้นส่วนใหญ่หมดโดยความทุกข์ที่จะยังเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงเศษนิดหน่อยที่นับส่วนแทบไม่ได้เลยทกเวนพระโสดาบันท่านอุปมายอย่างนี้นะว่าขาุเ น, นะเเานเขาสิเนรุนะเมล็ดกรวดเมล็ดทรายในขุนเขาเิเนรุนั่นคือความทุกข์ของปุถุชนแต่ความทุกข์ของพระโสดาบันนั้นเท่ากับมเมล็ดหิน มเมล็ดหินเล็กๆอยู่7เม็ดในความทุกข์เหลือแค่นั้นนอกนั้นหมดเลยโอ้โหขนาดนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าคุณสมบัติที่ละได้โดยสาระสำคัญก็คือว่าละสักยะทิฐิได้เพราะอะไรความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะมีปัญญาอย่างรู้สภาวธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยได้ เมื่อเกิดปัญญาเข้าใจชัดอย่างนี้วิจิกิจช้าความลังเลสงสัยก็หมดไปเมื่อวิจิกิจช้าหมดไปศรัทธาที่เกิดร่วมกับปัญญาที่อาศัยปัญญาก็แน่นแฟ้นอย่างรากลึกสู่พระธะนัตไตรต่อความจริงได้อย่างชัดขึ้นนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้พร้อมนั้นแหละก็จะรักษาศีลให้ถูกต้องตามหลักการได้ถูกต้องโดยตามความมุ่งหมายกลายเป็นอริยกันดศีลศีลที่อริยบุคคลชื่นชมยอมรับ สีรับตาปรามาสก็สิ้นไปหมดไปเวลาจะเจริญจากค้าก็เจริญขึ้นมัจฉริยะก็หมดเมื่อราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็ไม่ตกไปอยู่ในอำนาจของอคติคือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลง ก, ก็ลดหายไปเพราะมีปัญญาที่มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตก็ทําให้คลายความยึด ต, ติดเมื่อสิ้นความยึด ต, ติด ความถือมั่นทั้งหลายก็หมดความทุกข์ก็ผ่อนคลายแล้วก็รู้จักสุขที่ปราณีตยิ่งขึ้นไปที่เป็นไปลักษณะแบบเป็นเหตุเป็นผลไหมไห ม, มนุษย์เราเนี่ยก็คือความเป็นพระโสดาบันเป็นชีวิตระดับที่ยอมรับได้ที่น่าพอใจระวางใจได้ทั้งในด้านคุณธรรมและในในด้านของความสุขแปลว่าอะไรด้ย คนที่เป็นพระโสดาบันหรือฝึกฝนพัฒนาตนเองกใกล้ความเป็นพระโสดาบันเนี่ยคุณธรรมก็นเด่นความสุ ข, ขเขาก็ชัดในด้านคุณธรรมเนี่ยก็มีคุณความดีเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันว่าเขาผู้นั้นจะไม่ก่ออันตรายและความเดือดร้อนเสื่อมโทรมเสียหายเป็นภัยแกสังคมหรือแกใครๆอีกแลตรงกันข้ามก็จะมีแต่พฤติกรรมที่อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่การดำรงอยู่และดำเนินไปด้วยความดี แก่ชีวิตและสังคมดีแก่ตนเองด้วยแก่สังคมสิ่งแวดล้อมคุณธรรมทั้งหมดนี้มั่นคงเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมดาตามเหตุปจัจจัยก็คือว่าเพราะมีปีชามีปัญญาญาณที่ให้เกิดทัศนคติอย่างใหม่ต่อโลกและชีวิตเป็นฐานรองรับก็เลยทัศนคตินี้ก็เลยสัมมาทิฏฐิหรือว่าสัมมาทัศนะเป็นทัศน์ที่มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงตรงความจริงโดยชัดนี่ในด้านของคุณธรรมนะ ส่วนในด้านความสุขคนที่เป็นพระโสดาบันจะมีความสุขใหม่ทางใจเนี่ยที่ประณีตล้าลึกอันประจักษ์ได้เฉพาะตนเป็นความสุขที่มีคุณค่าสูงลำ้ำาสุขที่ประณีตมากซึ่งแม้ตนจะยังเสวยการมสุขหรือโลกยะสุขอื่นๆอยู่ก็จะไม่ยอมให้ความสุขที่หยาบ ก, กว่านั้นเกินเลยออกขอบเขต ซึ่งเป็นเหตุบั่นร้อนความสุขที่ประณีจคือจะไม่ยอมสละโลกุตระโสกอันแประณีจเพื่อเติมส่วนขยายปริมาณในโลกยะสุขอันหยาบอีกต่อไปพูดกันอย่างตดงอเป็นความสุขเนี่ยการมาสุขและโลกยโสขอันหยาบถูกทําให้หมดด้วยโลกุตระโสกอันแประณีตแปลว่าอะไรรู้ไหมเยอะตัวอย่างเช่นว่าถ้าเขาจะมีความสุขในโลกยโสขเขาก็จะสุขอยู่ในกรอบ ไม่ละเมิดเช่นสุขจากการทีเ่เกี่ยวข้องกับสัมผัสกับบุตรภร ร, ารยาเขาก็จะมีความสุขอยู่ในขอบเขตจะไม่จะไม่กินเลยเพราะเขาได้โลกุตลสุขเป็นตัวเป็นตัวรู้แจ้งหรือเข้าได้สัมผัสเลย พอได้สัมผัสความสุขที่ลึกล้ำหรือประณีตแล้วเนี่ยความสุขระดับโลกยีสุขเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเขาก็ได้ติดแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่มัวเมารุ่มหลงจนกลายเป็นว่าประพฤติผิดจนเสียคุณธรรมเนี่มดีตรงเนี้ยความสุขที่เป็นทั้งผลและเป็นที่เป็นปัจจัยสัมพันธ์เนื่องอยู่กับคุณธรรมที่ประพฤติจึงเป็นหลัก ยืนยันถึงความไม่ไหลเวียนกลับลงต่ำมีแต่จะช่วยค้ำชูส่งเสริมให้ก้าวสูงขึ้นไปในเบื้องหน้านั้นความเป็นพระโสดาบันมีคุณค่าที่น่าพอใจแก่ตัวบุคคลและสังคมอย่างมากถ้าพิจารณาอย่างนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นว่าในพุทธพจน์จะเห็นชัดพุทธเจ้าเน้นคุณธรรมและความสำคัญความเป็นพระโสดาบันมากแล้วก็เล่งแล้วว่า บอกยกพุทธพ์บอกว่าเลิศดล้ำเหนือความเป็นเอกราษบนผืนปฐพีดีกว่าการสู่สวงสวรรค์ประเสริฐกว่าสัพพาโลกาที่ปัดคือผลการตัดถึงกระแสแห่งโพธิทัพคือโซดาปฏิพลด์ก็หมายความว่ า, วา ส, สุข ของพระราชาสุขของเทวดาหรือว่าในโลกทั้งหมดไม่เทียบเท่ากับพระสวดาบันที่ได้ล ก, กันเทียบกันนม่ไล้ทีนี้ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นในแชดว่าเพราะท่านได้สัมผัสพันิาพานแล้ ว, ลวคือททำกิเลส กิเลสบางส่วนคือสักกายะทิฏวิจุกิจฉาสีรัปรตาปรม า, า, ามาตโลภาตุสาโมห์ยังยากที่จะนําสูา่ใบยพมิกิเลสเหล่านี้อันตรฐานคือนิพพานที่พอพอกิเลสลดความสุขก็เพิ่มพอกิเลสเป็นเพิ่มความสุขมันก็ลดหลักการมีแค่ น, นี้ฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเราไปคิดว่ากิเลสทําให้มนุษย์สุขที่ไหนได้ ถ้าเอากิเลสออกมนุษย์กับได้ความสุขที่ล้ำเลิ่ที่ประณีที่บริบูรณ์ถ้ากิเลสหมดนี่สุขที่ประณีที่สุดฉะนั้นปัญหาของพวกเราหรือหมู่มสัตว์ทั้งหลายก็เพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะทํากิเลสให้หมดไปจากขันธ์สันดานเป็นต้นได้เราจรึงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงก็เลยต้องขอเชิญชวนบอกว่าการที่เราจะสามารถ เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะทําให้เราเกิดความมั่นคงพระตถาคตอาจารย์นั่นก็บอกเขาไว้นะว่าบอกว่าบุคคลผู้เป็นกระยาณปุรุชนก็ต่างกันกันกบภาระปุรุชนอันท่าพาละปุรุชนทีนี้บุคคลที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยแปลว่าบุคคลก็พัฒนาจาก กัลยาบถชนระสู่ความเป็นพระโสดาเป็นต้นเหล่านี้ได้ฉะนั้นการที่เราได้เล่าเรียนธรรมะรู้จักอาริยธรรมเป็นผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตะสุตวาริยสาวกเนี่ยเขาเรียกเป็นเบื้องต้นที่จะเรียกว่าผู้นั้นมีการศึกษาเป็นขั้นของผู้ที่มีจุดตั้งต้นอย่างเขาเรียกว่าของทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างชัด นันสุดตาจึงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากในการดําเนินในการพัฒนาชีวิตที่จะก้าไปสู่อริยามรรคของพระเชษฐาจตสําคัญไหมถ้าเราไม่มีสุดตาของพระอริยะเนี่ยไม่มีเสียงกู่เรียกของพระอริย์จบเลยเนีข้าต้อบอกว่าพระโสดาบันในครองเรือนด้วยใจปราศจากความตนีมีความเสียสละเต็มที่ยินดีในการให้และการแบ่งปั น, ปนสิ่งของที่ควรให้ได้ไม่ว่าจะเป็นของอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่มีอยู่ในสกุล บุคคลที่เป็นพระโสดาบันก็เฉลีย่ยแบ่งปันกับคนมีศีลมีจรยลยธรรมได้ทั้งหมดนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้อดูพระสูตรพระพุทธเจ้าแตกเอาไว้ที่เรียกว่าแสดงคนในลักษณะของพระโสดาบันนพระพุทธเจ้าบอกสารีบุตรที่พูดกันว่าโสดาโสด า, สดากระแสเนี่ยเป็นอย่างไร ภาสาบริบทพระองค์ผู้เจริญมักมีองค์8อันเป็นอริยะแหลเป็นโซดากราวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชิวสัมมาวามุสัมมาสติสัมมาสมาธิแปลว่าอะไรบุคคลที่ประชมอริยมักมีองค์8ดไดในโลกุตระไดนี่เขาเรียกว่าเข้าถึงกระแสเข้าถึงความเป็นพระโซดาบัต อย น, นั้นบุคคลที่จะเป็นพระโสดาบันได้ก็เป็นบุคคลที่ประชุมสินสมาธิปัญญาประชุมศินสมาธิปัญญาในโลกุตตรธรรมไ ด, ได้เป็นครั้งแรกพระเจากออกถูกแล้วสารีบุตรถูกแล้วสารีบุตรพูดกับวชโสดาบันโสดาบันโสดาบันเป็นอย่างไรเนี่ยภาษาลิบุตรว่าพระองค์ผู้เจริญผู้ประปกอบไปด้วยอริยมรรคเองค์แเรียกว่าพระโสดาบันท่านนี้แหละโคดนี้นามสกุลนี้แห ล, ละคือเป็นพระโสดาบันแล้วก็คือประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิความเป็นที่ถูกต้องเป็นต้น อริยส า, าวกผู้จะเรียกว่าทิฏฐิสัมบันญผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือมีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ก็ได้จะเรียกว่าทัศนสัมบณัณโนผูดถึงพร้อมด้วยทัศนะคือมีสัมมาทัศนะที่สมบูรณ์ก็ได้พูดถึงพัสสัตธรรมนี้แล้วก็ได้ผู้เห็นพัสสัตธรรมก็ได้ผู้ประกอบไปด้วยเศคารนะผู้ประกอบไปด้วยเศขวิชาก็ได้ผู้บรรลุโสตถึงกระแสธรรมะก็ได้อริยชนผู้มีปัญญาที่จะ เจาะสัตยธรรมก็ได้ผู้ยินดีหรือยืนชิดอมตะทวารอยู่ติดประตูอมตะก็ได้อริยาสาวกผู้มีสุตตะผู้ได้เห็นอริยชนผู้ฉลาดในอริยธรรมฝึกดีแล้วสุวินิทเนี่ยในอริยธรรมผู้ได้พบเห็นสัตว์บุตรฉลาดในธรรมของสัตว์บุตฝึกดีแล้วในสัพปริสธรรมเป็นผู้ เห็นทำแล้วบรรลุทำแล้วรู้แจ้งทำแล้วยังรำมาทั้งหมดแล้วข้ามความสงสัยได้หมดข้อที่จะต้องถามหรือปราศจากข้อเคลือบแคงถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระบรมศาสดาทีนี้อริยชนผู้มีปัญญาที่จะเจาะสัจธรรมนี่ก็แปลว่าอริโยนิพเพธิกะปัญโย อาเยชนผู้มีปัญญาชัมแรกชัมแรกก็คือทะลุทะลวงกิเลสได้ผู้มีปัญญาที่จะแก้ไขตัวหรือปลดเปลื้องตัวได้มีปัญญาที่จะไม่ติดลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเจาะเจาะสัจธรรมได้ทะลุทะลวงได้ผู้ทําตามคําสอนเรียกศาสนกกรก็คือทําถูกต้องตามคําสอนอย่างแท้จริง ฉะนั้นอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางทีปฏิบัติตามคำสอนได้ไม่ถูกต้องยังไม่เป็นศาสนากรนะก็คือไม่เป็นศาสนากรปฏิบัติตรงต่อโอวาคข้ามความสงสัยได้แล้วในคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดาทีนี้ผู้ใดที่ยังได้ที่ตั้งตัวได้ความโล่งใจเบาใจหายทุกข์ร้อนกังวลในธรรมวินัยนี้ข้ามความสงสัยในคาสอนของพระศ า, ศาสดา อริยสาวกผู้มีผลมาแล้วบรรลุธรรมผู้รู้ศาสนาแจ้งศาสนาอย่างแจ้งถึงความแน่ใจในพระธาคตเห็นอมตะประจักษ์แจ้งในอมตะธรรมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่มีทางลงสู่อาบายทุกขติวิบัติลกเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินหน้าสู่การตัดสู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ท่านก็พูดถึงบอกว่าตรัสแกนาถาพิริกเศเสตีในพระสดด์โ ส, สหนึ่งนะ ดูก่อนคราบดีเมื่อใดอริยาสาวกเนี่ยมีมีไพเวน5ประการลังับแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะ4ประการและได้เห็นได้เข้าใจทรุ ป, ปูปโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอาริยะญาธรรมอริยาสาวกนั้นเมื่อประสงค์ก็พึงพยากรตนได้ด้วยตนเองว่าเราเป็นผู้สิ้นนรกก็คือไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรก เราเป็นผู้สิ้นกําเนิดสัตว์เดรัจฉานก็คือไม่เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นผู้สิ้นเปรตวิสัยไม่เกิดเป็นเปรตสิ้นอบายทุกขติวิบัติในรกแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนเดินหน้าสู่การสัตรุที่ยิ่งยิ่งขึ้นไประงับเวรภัยทั้ง5เป็นอย่างไงเวรภัยในปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักทําลายชีวิตจะได้ประสบ ทุกธรรมนัทางใจที่เขาจะได้เสวยเพราะการทําลายชีวิตเป็นปัจจัยเวรภัยนั้นเป็นอันละงงับแล้วสําหรับผู้หมดเว้นจากปนานนติบาตอันนี้พระโสดาบันทธละได้เด็ดขาดนะเวรภยัยไม่มีเวรภัยกับใครในไหนเลยเพราะปะนานนติบาตลั ง, งับได้อย่างชัดอัลั ง, งับตรงไหนเจตนาเวรลเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าละเด็ดขาดไหม เด็ดขาดเลยละได้ด้วยอะไรเอาเวลาเจตนาอักษรที่ไปเห็นการฆ่าละได้ด้วยอะวิรติที่ประชุมในอาริยมรรคสัมมากรรมตะวิรติงั้นใครทําสัมมากรรมตะวิรติเนี่ยประชุมในอริยมรรคได้แปลว่าสัมมากรรมตะเป็นหนึงในโมรรคประหาร เวรเจตนากุศลที่ไปเหตุถึงการฆ่าได้อย่างเป็นสมุดเฉท้าพหานเลยฉะนั้นเจตนาที่ที่เป็นไปจากการฆ่าเนี่ยพระโสะดาบันจึงหมดเลยต่อไปต้องใช้เวทีอีกไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่มีตั้งใจจะงดเว้นไม่ต้องเลยเป็นออโตเมติกเป็นอัตโนมัติ7 เ, เนี่ยที่อบอกว่าเวรภัยในปัจจุบันเบื้องหน้าที่นักรักทรัพย์จะได้ประสบ เป็นอันละงับแล้วสำหรับบุคคลที่งดเว้นจากการลักเว้นภัยปัจจุบันก็ดีภายหน้าก็ดีที่นักรักทรัพย์จะได้ประสบเนี่ยเป็นผู้งดเว้นจากอ า, าิณา์ฐานเด็ดขาดด้วยไหเด็ดขาดเพราะมีอะไรสัมมาการมันตะวิรติไปประชุมในอริยมรรตได้จึงละเวรละเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุถึงการลักเด็ดขาดเลย เห็ไหม่พราตัวบาปอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักที่ในใจเนี่ยถูกละขาดเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในการมก็ขาดสะบั้นด้วยสัมมาการมันตะเวิรติที่ไปไประชมนั่นแหละโอ้โหวิรติตัวเนี้ยละเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการละเวรเจตนาอกุศลเป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกรรมขาดสะบัน้น จะไม่มีเจตนาชั่วร้ายในการฆ่าในการรักในการประพฤติพืชผิดในการอีกเลยจะไม่เกิดขึ้นเลยในกระแสชีวิตนั้นตั้งแต่ขณะประชมอริยมารมันด้เวระเจตนาขุศที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จที่นักพูดเท็จจะได้ประสบเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากมุสาวา งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบเพื่อเชื่อทิ้หมดเลยนะืหมดเลยนะสัมมาวาจาเวรตินะไปประชุมในาเรียมักก็จะทําให้เวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเวรเจตนาเป็นเหตุแห่งการเวรเจตนาช่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจือขาดสมบัติลองคิดดูทีว่าเขาไม่ต้องมาตั้งใจอย่างเราแล้วแล้วก็ เวรเจตนาเวรภัยปัจจุบันที่นักดื่มโซลาเมีัยจะได้ประสบเป็นอนลั ง, งับแล้วสําหรับคนที่งดเว้นจากการดื่มโุามลามีัยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพระโสดาบันไม่มีเอาของมึนเมาใส่ถึงบอกว่าถ้ามีเหล้าใส่ก็เป็นเตในปากเทเข้าไม่เข้าเลยเออของมึนเมาจะไม่ไหลเข้าสู่กรแสชีวิตก็เด่นออก เออพระโสดาบันเนี่ยคนที่เป็นพระโสดาบันถ้าบอกมแมลงวันตัวหนึ่งกับชีวิตของตนเองเขาบอกถ้าไม่ฆ่ า, มาแมลงวันตัวนี้นะเราจะฆ่าคุณนะเขาไม่ฆ่านะเอ อ, อนี่คุณธรรมขนาดนั้นเนี่ยอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นด้วยปัญญา ในพระพุทธเจ้าว่าโดยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ดูพระองค์เองถึงพร้อมได้วิชาและเจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ก็คือเป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพระภู้ทรงพระเจริญ เนี่ยเป็นผู้ย่างรากลึกเป็นผู้เลื่อมใสอันอย่างลงมั่นได้ปัญญาแบบนี้เห็นเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้จริงๆอย่างลากลึกจริงๆเราเห็นหรือยังต้นถ้าเรายังไม่สามารถอย่างลากลึกสู่พระผู้ธคุณอย่างนี้แปลว่าเรายังไม่ได้นะวิธีการจะทํำยังไงในเบื้องต้น ให้เป็นนั่งนึกหรือสาธยายจนอย่างรากลึกจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ให้เข้าใจจริงๆเลยนะเป็นผู้ไกรจากกิเลสทัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมได้วิชา8ปดจรณาสิเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสาธีฝึกบุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นสัมมาสัมพุทธ ยิ่ไปสาธยายจนจนเข้ามาในใจได้ถ้าใครยังสาธยายแต่เปลือกข้างนอกข้างนอกข้างนอกอยู่ห่างไกลแล้วคุณก็จะไม่ได้ความสุขจากการระลึลกพระคุณเลยนะทำได้ยังไหนทําได้นั่นะแหละพยายามทําไม่ได้แล้วให้ต่อเนื่องจนยาวได้เมื่อไรตลอดวันได้เมื่อไรนึกเมื่อไรชื่นใจได้เมื่อไรแสดงว่าปลอดภัยเลยมีมีศรัทธาอย่างลาก เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอยั่งมั่นด้วยยั่งลงมั่นด้วยปัญญาในพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีประภาคตรัส ด, ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดได้ตัวตนเองไม่ขึ้นกับการเชิญชวนให้มาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัววินิจญูชนบึงรู้ได้เฉพาะตเห็นเห็นคุณของพระธรรมชัดนะครับ เห็นคุณของศีลสมาธิปัญญาเห็นคุณของพระปริยัติธรรมเป็นต้นเลยเห็นคุณของมรรคสีผล4นิพพา น, นโยกุตตะธรรม9แล้วก็เห็นคุณของป ร, ริยัติธรรมเห็นคุณของพระธรรมสิประการนิชัดเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระสงค์ว่าสง์ หมู่สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่บุตรสีค่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรแก่สการะที่เขานำมาถวายบูชาเป็นผู้ควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรับเป็นผู้ควรแก่ของที่เขาอุทิศบูชาเป็นผู้ควรแก่การอันทำอัญเชิญเป็นนาบุญของอันยอดเยี่ยมไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า เป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลอันงามที่อริยชนชื่นชมเป็นอริยกันตศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทวินยูชนสนเสริญไม่มีอะไรเครือบแฝงเป็นไปเพื่อสมาธิและปัญญาเป็นต้นนี่แปลว่าอะไร 1. เชื่อมั่นในพระพุทธจาคุณของพระพุทธเจ้า2เชื่อมั่นในคุณของพระธรรมสเชื่อมั่นในคุณของพระอริยสงฆ์สเชื่อมั่นในคุณของอริยกันตศีลศีลที่ไม่ขาด ได้อธิบายไปแล้วขาดเป็นยังไงด่างเป็นยังไงทะลุเป็นยังไงใช่ไหมเป็นต้นได้เห็นได้เข้าใจปลุกปลงเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอริยะญาณธรรมด้วยอะไรคืออริยะญาณธรรมอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมอยังโยนิโสมนัสการในปฏิจจสมบาทเป็นอย่างดีว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกลาวคือเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญ ญ, ญาณจึงมีเพราะวิญ ญ, ญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะจึงมีเพราะอายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตันหาจึางมีพ่อตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานยังมีพร่ออุปาทานเป็นปัจจัยพบยงมีพบพอเป็นปัจจัยชาติจึงมีพ่อชาติเป็นปัจจัยชรามราณาโศกปริทิวะทุกขโทมนะสาวุปาญาตจึงมีนี้เป็นต้นและก็สายดับด้วยนะเพราะอวิชชานั่นเองสําลอกดับไม่มีเหลือโดยอริยมรสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณย่งดับ พ่อวิญญาณดับนามรูปจึงดับพ่อนามรูปดับอายตนะจึงดับพ่ออายตนะดับภาษาจึงดับพ่อภาษาดับเวทนาจึงดับพร่อเวทนาดับตัณหาจึงดับพ่อตัณหาดับอุปาทานจึงดับพ่ะอุปาทานดับพบจึงดับพบพดับชาติจึงดับพ่อชาติดับอายตนะพ่อชาติดับโสกาปริเทวทุกโทมัสเสาปายาจึงดับการดับเป็นวัตทุเป็นไปด้วยประการอย่างนี้เนี่ยให้ความเลื่อมใสอันอย่าง รงมั่นได้ปัญญาเนี่ยก็แปลว่าเอาเวทจับอาเวทจับภาษาทะโดยทั่วัว ก, กเลื่อมใสอันไม่วันไหวถ้าแปลเต็มความหมายก็แปลว่าเพื่อให้เห็นความสมวิสตาศรัทธาสะพานกับปัญญายัางไงซึ่งเป็นองค์ประกอบแฝงนะที่ปรากฏออกมาเด่นชัดก็คือว่าในที่สุดจะไม่ต้องกล่าวถึงศรัทธาอีกต่อไปเนี่ยปัญญาอยู่ในคุณสมบัติที่บอกว่า เข า, าเรียกว่าเลื่อมใสอันอยังมั่นด้วยปัญญาก็คือเลื่อมใสที่ไม่วันไหวเพราะมีปัญญานี่แหละประกอบเพราะมีปัญญาประกอบเป็นเป็นความเชื่อมั่นไม่วันไหวเมื่อใดอริยสาวก มีเวรภัย5ประการระงับแล้วเป็นผู้ประกอบพิธีโสตาปริยังคะสประการ5ประการดังกล่าวได้เห็นได้เข้าใจปลูกปรงได้ดีได้ปัญญาซึ่งอริยธรรมอย่างนี้อริยาสาวกนั้นเมื่อประสงค์พึงพยากรณตนได้เองว่าเราเป็นผู้เป็นพระโสดาบันเดินหน้าสู่การตัดสรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วที่เรากระแสจุดติดในบรรดาเครื่องวัด สมหมวดโสตาเรียงคะก็เรียกง่ายๆว่าองค์คุณของพระโสดาบันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นเหตุเป็นผลก็กล่าวคือว่าการเห็นอริยญาณธรรมเห็นปฏิจจังบาสนี่เป็นเหตุของโสตาเปียงค่ะเนี่ยเพราะเมื่อมีปัญญาเข้าใจกฎธรรมดาแล้วก็ทําให้มีศรัทธาในเหตุผลที่แน่นแฟ้นนั้นการที่มีปัญญาอย่างเห็นปฏิจจังบาททั้งสายเกิดและสายดับก็แปลว่าคุณเห็นเหตุผลชัด เมื่อเห็นเหตุผลนัสก็เชื่อมั่นในเหตุและผลในกฎธรรมดากับธรรมชาติเพราะปัญญาก็ไปเห็นความจริงแล้วความเชื่อมั่นจึงเป็นความเชื่อมั่นที่ชัดเจนมากหมูสัต์ทั้งหลายไม่ได้เห็นกฎความจริงข้อนี้ชัดเพราะไม่ได้เห็นกฎความจริงข้อนี้ชัดเนี่ยก็ไม่มั่นใจไม่สามารถจะอย่างแรกลึกสู่ปัญญาเป็นต้นได้อันนี้กฎธรรมดานี่ถ้าให้มีศรัทธาในเหตุผลที่แน่นแฟ้นที่พอมีเหตุผลแน่นแฟ้นก็คือทําให้ศีลบริสุทธิ์ ตรงตามหลักเกณฑ์และความมุ่งหมายเข้ามาส่วนอันแรกที่บอกว่าระ ง, งับเวรภัยทั้ง5นั่นเป็นผลนะเพราะมีศรัทธามีศีลถึงขั้นแล้วเวรภัยทั้ง5ก็เป็นอันหมดเวรจากการฆ่าจากการลักทั้งหลายก็หมดด้วยเหตุนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจึงกล่กาวโสดาเปลี่ยนคะบอกว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบไปด้วยธรรมะสอย่างย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคืออริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และประกอบด้วยศีลอันทั้งหลายที่อริยบุคคลเชื่อชมและใครเป็นไปเพื่อสมาธิอย่างนี้เป็นต้นบางแห่งในพุทธพจน์เราจะเจอคําว่าโสตาเปรียังฆ่าธรรมนี้เรียกว่าธรรมมาธาตุแปลว่าอะไรนะ แปลว่าแหวนส่องธรรมะหรือกระจกเงาสําหรับส่องสํารวจคุณสมบัติตนเองของบุคคลที่เป็นพระโสดาบันบางแห่งก็เรียกว่าห่วงบุญห่วงกุศลและอาหารของความสุขบางแห่งก็เรียกว่าทิฏฐาธรรมะสุขขวัญนั้นทำเป็นยูนเป็นส่วในปัจจุบันหรือทําที่พักใจให้เป็นสุขทันตาเห็นทางจิตอย่างสูงบางแห่งก็ กระจายศีลออกมาเป็นกายสุจิริสามวิจีสุจริสีรวมเรียกว่าสัตธรรม7หรือเรียกโสตตาปยังคาธรรมว่าอากังคียฐานสบางแห่งก็แยกแยกรายละเอียดเอกเป็นไปสิบอย่างก็ได้นะเป็นสัมมัตต์สิได้แก่สัมมักมีองค์แคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะสัมมาวิมุตตสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นสัมมายานะ ก็คือตัวปัญญาที่เขา้าที่รู้ชอบแล้วก็สมาวิมุตติคือการหลุดพ้นโดยชอบเป็นต้นตรงนี้ก็คือว่าหลักการสํารวจ พ, พยากรตนเองอย่างเดียวนั้นแต่มีเพียงรั ง, งับเปลี่ยนทั้งหาาประกอบด้วยโซตาปียะัเป็นผู้ฉล า, าดในอริยธรรมอย่างนี้เป็นต้นในรายละเอียดตรงนี้ทีนี้นดูต่อค่อยๆเจาะรายละเอียดไปนะโตาปียงคธรรม เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันนั้นท่านแสดงไว้หลายชุดอีกชุดหนึ่งก็คือบอกว่าประกอบไปได้วยธรรมสิประการก็คือเป็นผู้ประกอบไปได้วยความเลื่อมใสยอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ที่3แล้วนะอยู่ครองเรือนด้วยใจปราศจากมนทินคือมัชชริยะีมีจารึอย่างเปิดไป มีจาค่าเปิดแล้วก็คือเปิดใจแล้วมือสะอาดยินดีในสละในการเสียสลับใส่ใจคำร้องขอยินดีในการให้ปันและมีถ้าเสริมกันมาตรงนี้ก็คือว่าสิ่งของที่ควรที่จะให้ได้ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่มีในสกุลอาญาสาวกเฉลีย่ยแบ่งปันกับคนที่มีศีลมีกริยานรรมได้ทั้งหมดสรุปก็คือว่า คุณสมบัติแสดงมารวมอยู่ในศรัท ธ, ธาศีลสุตตากาชาปัญญาทั้งหมดนี่แหละที่รวมมาทั้งหมดนี่แหละตรงนี้ที่บอกว่ามีปราศจากมนทินคือมัชริยะมีกา่าอย่างเปิดใจมือสะอาดยินดีในการสละใส่ใจในคำร้องขอเออ้องเป็นคนฉลาดเลยนะใส่ใจในการร้องขอยินดีในการให้การแบ่งปัน เดี๋ยวจะขยายตรงนี้ใส่ใจในการลองของเดี๋ยวอธิบายต่อดังนั้นพุทธพจน์เนี่ยคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเนี่ยเจริญด้วยธรรมห้าประการชื่อว่าเจริญด้วยอาริยวัตถิเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้กก่าคือเจริญด้วยศรัทธา จเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตาเจริญ ด, ด, ด้วยจาค้าจเจริญด้วยปัญญานี่อริยวัถินะผู้ใดจเจริญด้วยศรัทธาศีลสุสตตาจาค้าและปัญญาผู้นั้นนับว่าเป็นสัตบุรุษผู้มีปีชาย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้เกตตนได้พิกษุ์ทั้งหลายอริยาสาวกจเจริญด้วยธรรม5ห้าประการนี้ชื่อว่าจเจริญด้วยอริยวัถิ อริยวัติก็คือเจริญตามแบบอย่างขาองอริยชนเนี่ยบางแห่งกล่าวบอกว่าสตรีใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลด้วยสุตาจากาและปัญญาสตรีนั้นเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้ในตนแก่ตนได้ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตาจากาและปัญญาเธอมีความคิดว่าถ้าะไร โดยทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปเราพึงประจักแจ้งแล้วเข้าถึงด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียวซึ่งเจโตมุตปัญญามุตอันหาอาสวะไม่ได้ภิสษุทั้งหลายโดยการทาอาสวะทั้งหลายสิ้นไปก็จะประจักแจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียวซึ่งเจโตรุตปัญญามุตอันหาอาสวะม่ได้ ถ้ายังไม่บรรลุเองเพียงลำลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของท่านผู้อื่นก็จะทำให้สุขใจและจูงใจตนให้มีกำลังใจในการปฏิบัติด้วยเนะ้นพุทธพร์บอกภิกษุทั้งหลายบอกภิกษุชื่อนี้ถึงมรณาภาพแล้วคือตายไปแล้วเนี่ยนะพระผู้มีภาคเจ้าพยากร์ว่าเธอดำลงอยู่แล้วในะอัญญาคือเป็นภ่าหาตผลภิกสุณีผู้สับข่าวได้เห็นเองหรือได้ยิน ต่อกันมาก็ตามภคินีเหล่านี้เป็นผู้มีศีล อ, อย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ประจําตัวอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเป็นผู้ละลึกถึงศรัทธาศีลสุสตตะจาระและปัญญาของท่านเหล่านี้แล้วก็จะน้อมจิตใจไปเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นต้นอย่าง น, น, นี่คืออันนี้บ่งบอกว่าเป็นเครื่องอยู่ด้วยนะว่าถ้าใคร มีคุณธรรมคือศีลสัทธาศีล ส, สุตตากาปัญญาเมื่อเราระลึกถึงก็จะเป็นแรงจูงใจทําให้เราอยากประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นเอาแต่นี้จะขยายความเนาะในวันนี้จะอีกนาวยาวไปอาจจะไปด้วยวั น, ว, น, ว, นวันพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวจะขยายเรื่องศรัทธาศีลสุตตากาปัญญาภาคพิสดารอันนี้พูดแบบย่อไว้ตามพระสูตร ที่เอาพระสูตรมาเรียงลำดับเดี๋ยวต่อไปจะขยายจะขยายแบบพิสดารขยายให้ชัดขึ้นแล้วยกตัวอย่างจะได้เป็นหลักการประพฤติปฏิบัติแต่วันนี้น่าจะไม่ทันมีปัญหาถามไหมคงไม่มีแล้วมั้ง Mm hmm. อ่านอ่านอ่านเข้านั่นด้วยอ่านเข้าใหม่เล เ, เอาเดี๋ยวดีคนตามปัญหาเดิมมาแล้วแล้แลเจะเชร์ กครับอาจารย์พอดีมีโยมเขาปฏิบัติเข้ามาเขาส่งการบ้านมานะครับคําถามก็คือว่าตามที่ได้กล่าวเปลี่ยนพระอาจารย์ที่จิตติดล็อกวนอยู่ในลูปได้พยายามออกจากการภาวนาด้วยการเปลี่ยนการรับรู้ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและทําความเข้าใจกับสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่เป็นผู้รู้เพื่อจะได้ไม่ทุกข์ตามสังขารร่างกายที่เขาไปรู้สึกแต่จิตก็วนกลับมา ที่จุดติดล็อกเหมือนเดิมเดิมจึงอาศัยสติการรับรู้ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเท่าที่จะทำได้และเพิ่มการรู้สึกตัวมากขึ้นเมื่อจิตกลับไปล็อกจุดเดิมรู้จิตที่ฉลับกลับไปล็อกไปเรื่อยๆบ่อยครั้งบ่อยครั้งที่เพลินแช่ไปในจุดเดิมเมื่อรู้สึกตัวก็ไปรับรู้ส่วนต่างๆฝึกทำแบบนี้วนไปจะถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ การที่ได้กลับเปลี่ยนพระอาจารย์ที่จิตติดล็อกบนหลุมได้พยายามออกจากการภาวนาด้วยการเปลี่ยนการรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายและทําความเข้าใจกับสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยเพื่อจะได้ไม่ถูกตามสังขารของร่างกายที่เข้าไปรู้อันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาเขียนคําถามซ้ํากันเข้ามาอาจารย์อันนี้จริงๆคําถามหมดแล้วครั บ, รบนี้เป็นคําถามที่1ครับมี2ครับ นี่คือคำถามที่หนึ่งนะครับสรุป ก, ก็คือว่าโยมเขาเขาส่งคำถามที่สองก็คือว่าอุปสรรคและความยากลำบากที่จะต้องเผชิญสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพารตรนาตรายัยดารงตนออกจากทุกข์ด้วยการภาวนาอยู่นึงๆในชีวิตประจาวันมารในใจและเทพบุตรมารเราควรวางท่าทีทางใจอย่างไร เขาตอบปัญหาขอแรโยมที่เคยถามปัญหามาครั้งก่อนตั้งใจฟังนิดนิดแลาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่โยมนั่นมาโยมโยมไปฟังที่อื่นมามาแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้หรือจากการคิดขึ้นอีกว่าอาศัยว่าที่จิตติดล็อกแล้วก็เลยมามากำหนดตัวเอาใช้ความรู้สึกไปตามร่างกาย แล้วให้มากําหนดตัวรู้และตัวผู้ถูกรู้ตรงเนี้ยตรงนี้โยมโยมทําตามตามความเข้าใจของโยมแล้วก็จากการอาจจะฟังที่อื่นมานะหลักการตรงเนี้ยเป็นหลักที่คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาแล้วก็เคยเห็นตอบกันอย่างเนี้ยเยอะตอบกันลักษณะแบบนี้ที่บอกให้ตัวผู้รู้กับผู้ถูกรู้คือคําพูดเนี่ยดู คำพูดตัวตัวรู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยเป็นสำนวนที่ใช้กันเยอะในยุคปัจจุบันแต่ไปเอามาในในคำสอนคําสอนมีอยู่นะครัว่าตัวผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยถ้าแยกละเอียดขึ้นมาเดี๋ยวก็จะงงกันกรณีที่ไปการไปแยกสันตติคณะสมุหะคณะกิจคณะแล้วก็เป็นการไปแยกตัววิญญาณต่ายตัวจิตที่เข้าไปรู้ กับตัวที่ถูกจิตรู้แต่เวลาสมนวนมาใช้กันทุกวันนี่ก็คือตัวผู้รู้กับผู้ถูกรู้ไปไปมาผู้ปฏิบัติก็งงโดยไม่มีฐานธรรมะก็จะฟังกันก็จะงงกันอยู่แนละอะไรคือตัวผู้รู้อะไรเป็นตัวผู้ถูกรู้จิตจิตที่เข้าไปรู้กับสิ่งที่ถูกรู้จิตถูกเป็นตัวถูกรู้ก็ได้รูปเป็นตัวถูกรู้นามเป็นตัวถูกรู้ก็ได้รูปธรรมเป็นผู้ถูกรู้ก็ได้เดี๋ยวพูดก็จะงงกั น, น่ ประเด็นเอาอย่างนี้วิธีการที่โยมเอาเป็นอยู่อย่างที่บอกว่าถ้าหากมันติดล็อกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเ่อยหยุดการทำกรรมฐานอันนั้นเพราะว่าการกระทําโดยการขาดกิริยานิมิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราสอนกันโดยทั่วๆไปตามสื่อตามอะไรทั้งหลายเราเ่ยมจะเป็นประเด็นอยู่ว่าบางทีก็สอนรูปแบบกันขึ้นมาครูอาจารย์ในยุคปัจจุบันก็ตั้งรูปแบบระบบกันเองขึ้นมา ไม่ใช่ว่าไบอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อตั้งระบบขึ้นมาแล้วเนี่ยนักเข้านักเข้าบางทีบุคคลที่ปฏิบัติตามขึ้นมาไปติดขึ้นมาก็ปล่อยเขาทิ้งก็ไม่ไปแก้เขาให้ตลอดสาย น, นี่เป็นปัญหาเยอะเพราะโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าในสมัยครั้นพธการที่ก็จะสอนกรรมาฐานกันจริงๆได้เนี่ยระหว่างครูกับลูกศิษย์เนี่ยเขาไม่รับเยอะพอไปรับเยอะขึ้นมาในปัญหาก็ตามตามตรวจสอบไม่พอไม่ทันเลย โยมก็ไปรับส่วนใดส่วนหนึ่งมาก็มาทำนัเข้านักเากรรมาฐานก็ไปไม่ทะลุทะลวงแต่นี่เป็นปัญหาเยอะมากที่จริงแนะนําก็คือว่าหาครูอาจารย์อย่าสับสนอย่าเดี๋ยวไปองค์นั้นเดี๋ยวไปองค์นี้เดี๋ยวไปองค์นั้นเดี๋ยวไปองค์ น, งนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะสังเกตดูสัตว์วิหาริของภาษาลิบุตสัตว์ทวิหาริกของพระโมคคัลลานาสักขีที่วิหาริกของพระอนุนทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่กับครูอาจารย์ของเขาค่อนข้างชัดที่ต้องการชี้อย่างเนี้ย แต่ต้องดูให้ดีนะครูอาจารย์นั้นจะสามารถจะแก้ปัญหาหเราได้จริงๆหรือไม่อย่างไรเนี่ยด้วย ป, ปัญหามาอ่ะตรงนี้ต่อประเด็นงนี้ว่ากรณีว่าเวลาถ้าเราติดล็อกกรรมฐานจะศึกษากรรมฐานอะไรก็ต้องมี้ชัดในกรรมฐานนะถ้าเราไปทำกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งขึ้นมาเกิดไปติดล็อกขึ้นมาเราก็ต้องหยุดกรรมฐานนะั้น พอหยุดกรรมฐานนั้นข <Ay glorious. S 1> ึ so ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะมาฟังพระธรรมก็ได้นะเขาหยุดกรรมฐานแล้วมาฟังธรรมะเลยฟังให้เป็นระบบฟังให้จริงๆจริงอย่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปฟังมั่วนะฟังในขณะจิตที่เราฟังเนี่ยแปลว่าจิตมันจะคลายจากกรรมฐานเดิมแล้วตั้งใจฟังพระธรรมให้เกิดความเข้าใจเพราะในขณะที่ฟังเนี่ยเป็นอะไรเป็นภาวนาไมเป็นกรรมฐานอยู่แล้ว เราฟังธรรมะที่เป็นไปตามระบบที่ท่านพูดเรื่องทานเรื่องศีลพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดเป็นไปตามลำดับแห่งพระธรรมคาำำสอนพระเจ้าใส่ใจฟังเลยแล้วไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปกำหนดความรู้สึกเลยให้เอาน้อมใจในถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจฝังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นในขณะนั้นจิตจะเกิดศรัทธาแล้วก็จะเริ่มจาคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ ทพอจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เราก็จะมีสุตวาริยาสาวกมีสุตตามีข้อมูลของพระพุทธเจ้าแล้วพอมีข้อมูลของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนในการที่จ ะ, จะเจริญกรรมาฐานอะไรก็ชัดมันก็จะไม่ติดลมเวลาปฏิบัติเพราะมีข้อมูลในชัดอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าหากว่ามันไปปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่เกิดมันติดล็อกมันวนมันนอนไม่ได้อย่างที่ยมเป็นอันนี้แปลว่ามันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยปัญหาคือโยอมไป ที่บอกว่าไม่สามารถจะออกจากไอตัวกรรมฐานนั้นได้จิตมันก็จะถูกดึงเข้ามาหากรรมฐานอยู่ตลอดเวลาได้กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เป็นกรรมฐานแล้วมันกลายเป็นยึดอะไรเข้าไปล็อกโดยนั้นเลยตัณหามานะทฐิปั่นจะสัญญาปั่นจะทำมันเกิดมันไม่ใช่กุศลและจิตเกิดแล้วมันไม่ใช่ตัวกรรมฐานเกิดแล้วมันไม่ใช่ตัวปัญญาเกิดแล้วคนที่เจริญกรรมฐานเขาจะกําหนดนอนมาเลยก็ได้กําหนดตื่นมาเลยก็ได้ เขาสามารถที่จะทําอะไรเป็นระบบเป็นเวลาเวลาเขาจะเขาพัฒนาตันเองได้ขนาดนั้นที่เขาไม่นอนเพราะต้องการจะเล่งระดมความเพียรแต่ว่าเขาก็จะไม่ไม่ทําร่างกายให้สุดโสมเนะเขาจะฝึกตนเองได้อย่างดีแปลว่าเขาฉลาดในการดําเนินจิตแล้วนี้เป็นต้นฉนันจึงแนะนําว่าหนึ่งให้ฟังฟังให้เกิดความเข้าใจอย่าไปกําหนดเองว่าตัวรู้ตัวผู้ถูกรู้อะไรก็แล้วแต่เพราะว่า ถ้าต้องการอยากจะเจริญกรรมฐ า, าในใถึงระดับที่จะเข้าไปพิจารณาวิจัยแยกแยะเป็นวิปัสนาญาณทั้งหลายเหล่านี้ให้มาฟังเป็นระบบแล้วจะแนะวิธีว่าเขากำหนดแบบไงนเออเดินจิตให้เป็นสมาธิเอานิวรธรรมออกจากจิตให้ได้ก่อนอย่างไรอย่างที่เคยบอกแล้วต่อมาจะเดินต่อวิปัสนาญาณอย่างไรถ้าตราบใดถ้านิวรธรรมนะนิวรธรรมยังยังกุ้มรวมใจยอยูนะ่ไปกำหนดกรรมาไปกําหนดหนะเข้านะเข้าก็กลายเป็นติดล็อก ซึ่งเป็นกันเยอะค้อนงเยอะนะเข้าแต่เข้านอนกันไม่ได้ไม่ใช่คำสอนของพุทธิยถาไม่ดีแต่วิธีการที่เราเข้าถึงไม่เป็นหรือว่าบางทีมันอาจจะรู้ไม่ทั่วหรือกระทำผิดวิธีบางแง่บางมุมอันนี้เป็นต้นอัน น, นี้ประเด็นแรกนะอ่าประเด็นที่สองอคือออ๋อเรื่องมารทั้งห้า ที่ได้เคยกล่าวไปแล้วประเด็นที่2ก็คือว่าเพื่เราเจะถูกกิเลสสมานมานคือกิเลสรบกวนตลอดเวลาต้องเข้าใจก่อนราคาโทษาโมหะมานาทิถิวิจิขิจชายิริกาโนตภาอุทะจานกิเลสเหล่านี้จะกุ้รุมตลอดแล้วอย่างหนึง่งกระแสะชีวิตของเราเนี่ยเป็นขันธ์มานความตายเรียกว่ามัรจุมานการที่เราไม่ฉลาดในคําสอนของพระเจ้าเราก็ทํากรรมกันอยู่ตลอดเวลา กรรที่นำไปสู่วัตตะทั้งหลายเป็นอภิสังขารลมานส่วนเทปุตมานเนี่ยเขาก็มีเหยื่อล่อมีเครื่องล่อคือสีเสียงกินรสปุถัมภะทั้งหลายอันนี้เป็นเครื่องล่ออยู่แล้วถามว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าให้ชัดจนมีคำว่าสุตตวาอริยสาวกก็แปลว่าได้ยินเสียงกู่เรียของพุทธเจ้าชัด เมื่อมีคําสอนของพระเจ้าชัดเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องมารและมารจะมาล่อหลอกอย่างไรเรือหลอกไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าอยู่กับเาราเวลามารมาหลอกหรือมาล่อหลอกกิเลสมารจะมาหลอกพวกพระพุทธเจ้าคือคําสอนพระเจ้าจะเตือน ด, นดีว่านี้เป็นราคะหลอกคุณนี่เป็นโทสะความโกรธหลอกที่เป็นโมหะคือความหลงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนี่เป็นมานะคือยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเป็นต้น เวลาไปเกี่ยวข้องว่ากระแสชีวิตขันทั้งหลายเหล่านี้มันขาดขวางพุทเจ้าก็บอกว่าขันธมารเป็นแบบนี้แหละต้องวางทาทีทางใจกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่วิปริตผิดเพี้ยนยังไงหรือเวลาการขาดลงกับชีวิตในพหนึ่หนึ่งบอกมัจจุมาลคอยคุณอยู่ข้างหน้าฉะนั้นคุณต้องเร่งระดมความเพียรอย่างไรเวลาเจตนากรรมที่กําลังทํากรรมที่มันผิดพลาดที่ไม่น้อมไปสู่วัฏไม่น้อมไปสู่การพ้นจากวัฏจ พุทธเจ้าก็จะเตือนเราตลอดเวลาหรือคําสอนพุทธเจ้าจะเตือนตลอดว่าตอนนี้เธอเพลินนะเธอกําลังถูกราคาโทรศัมหักุก้มลุมแล้วก็ทำทำกายยทุจริตวิจีจทุจริตมโนทุจริตเนี่ยตีเตียนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะลงอบายทุกตีวิริยะโลกถ้าหากว่าทํากายยศุจริตวิจีสุจริตเป็นต้นนี้จะเข้าถุงสุกติโลกสวรรค์ก็เป็นอภิสังขารละมานีถ้ากรรมดำกรรมขาวสลับกันสลับกันก็จะไปสุกติบ้างทุกติบ้างก็เป็นอภิสังขารละมานอยู่ดี นั้นเธอต้องดําเนินไปตามมรรคาของพระชษฐเจ้าดําเนินศีลตามศีลสมาธิปัญญามีอนุาาปาทานผลิตผ่านเป็นจุดหมายอย่างไรต้องทํากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวอย่างไรเป็นต้นถึงจะเป็นมรรคกรรมเป็นเป็นผู้ชงเป็นองค์แห่งแห่งการตต่สรู้อย่างไรเป็นต้นนั้นถ้าเรามีสุตตวาอริยาสาวกมีคําสอนพุทเจ้าค่อนข้างชัดทึ้งแนะนําโยมทั้งหลายว่าโยมต้องฟั ง, งอยู่แพ้ทั้งหลายที่กําลังฟังก็ต้องฟังพวกคุณก็ต้องฟังให้ชัดนะครับ ฟังให้เกิดความเข้าใจออย่าอย่ากลัวว่าเราทำไมเราต้องฟังเพราะคำว่าสุดสาวกหรือสุดตาพุทธะต้องฟังจนรู้ฟังจนเข้าใจฟังจนกลายเป็นคำสอนพระเจ้าไปอยู่ในใจของพวกคุณจริงๆๆแปลว่าคุณปลอดภัยแล้วแปลว่าคุณได้ยินเสียงกระซิบของพระเจ้าตลอดเวลาแล้วไม่ใช่เป็นการคิดนึกเองหรือความไปปรุงแต่งเอง มีคำสอนพระเจ้าคอยบอกตลอดเวลาเป็นมีเหมือ น, อนพระธรรมของพระเจ้าเป็น GPS ีเอนำพาเลยจะหลงทางแต่ละทีมีเสียงเตือนติดตดติดติดไมมีคําบอกเราเลยคุณปลอดภัยอย่างนี้นี่อย่าแปลกใจว่าทําไมเราไปติดล็อกเรื่องนั้นล็อกนี่เพราะว่าไม่แข็งแรงทางสุดตะถ้าแข็งแรงทางสุดตะก็ปลอดภัยนี่พอจะชัดไหมโอ้นี้ใช้เวลาเยอะพอสมควรนี่ก็ เอาแล้ก็ปากให้โยมทั้งหลายฟังให้เกิดความเข้าใจฟังด้วยความนอบน้อมฟังด้วยความเคารพฟังด้วยการใส่ใจจริงๆแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายวันนี้สมควรแก่เวลาขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านขอท่านทั้งหลายขอพระรัชทานตรัยคุ้มครองดำเนินชีวิตไปสู่ความบรรทุกด้วยการทุกทานทุกประการเท่าน